ได้โอ้ยข้างวัดดาวดิงกลับไปไหนไ้เจริญกสิณเทเจเจริญกสิณเทียนเนี่ยนะโอ้ยพอดีฉันไปเท่กลับมามาพักพอดีพักโอ้ยไอ้บ้านอยู่ตรงข้ามคลองเล็กๆใช่ไหมลวไปใช่ไหมลาวลาวแกก็นั่งตรงข้ามนั่งไปนั่งก็ดีดี๋ยวเลยเชียวเมื่อไไม้บ้านนะวูวโต๊ะโต๊ะโฉนทางดีน้าขึ้นนะคองนั่นแตะน้นไม่ขึ้าหักโอ้โห เวลาน้ำลงน้ำไมาแห้งอยู่ไหมครับ้า <laughs> มาไป ไ, ไปใหม่บ่อยบ่โชคดีที่มันเป็นมันเป็นใบิภาคอับนิมิตรถไม่สนใจอย่าเล่นเลยนะอ้ยไ้พุทธาตืาตดดิดีกว่าาเต็พุทธาเตดีดีกว่าดีที่สุดแล้วอ่าอย่าอย่าไปเสียมเนี่นะเกษเทียนนะครับเออลาบ้าหลวงพ่อที่ก็ลบอย่างสูง ล, ลูกได้รับคำสั่งจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านเม่สีว่าให้ลูกบวชให้ลูกบวชนะจะได้เจริญรุ่งเรืองลูกรับฝากในนิมิตเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญเกิดความจำเป็นบวชไม่ได้แม่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีโอกาสจะบวชจึงอยากจะขอผันผ่อนจากหลวงพ่อว่า จะทำอย่างอื่นทดแทนในการบวชหรือจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างหรือไม่เจ้าคะฉันไม่กล้าขัดคำสั่งเทวดาไหนที่เรื่องคำสั่งเทวดานี้ทําไหนไม่เคยทำนะไม่ได้ไม่ได้เวลาคำหมายความแค่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองให้บวชจริงไหมครับรอเวลาจนกว่าจะมีโอกาสบวชจะได้การบวชด้วยอ๋อรอไปม่อนรอไปได้อกราครับ หลวงพ่อพอ ร, รัฐก็ผมสงสัยว่าผู้ที่จะเรินอารูปประธานหรืออารูปประพมนั้นน่ะถ้าจะต่อเป็นวิปัสนาญาณหวังมรรคผลพระนิพพานในชาตินี้จะเปลี่ยนแปลงหรือจะต่ออย่างไรขอหลวงพ่อโปรดเมตตาด้วยเถิดขอรับทับได้หรือยังนะทำได้หรือยังนะ อ่าคนจะเขียนมาได้ยังยังเขาไปยังไงนะลูกประชาประถาแทนเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อาสาาัญญานะอิตาณญาศนอ้ยยอดน่เลยหรอิยานาสญาณญนะจิตญาญานะนะไม่เรื่องยตีนะตีนะหะคนนี้ถามไมยังทไม่ได้หรอกไม่ได้สักนะเลยใช่ไหกบสนึถ้าได้แล้วเขาไม่ถามแต่ที่เขาบัญญามันเกิดแล้วถ้าต้องการที่พานเจดวันเ่น ต้องกาอรหันต์้าได้แนี้แล้วละไทยจเรวาฬยานเข้าใช้รูปฌานเข้าเป็นพื้นฐานนะไม่ควรจัควเป็นอรหันต์ดาา้วยีเยานอ้าอย่างนั้นฌานก็ดีเหมือนกันปฏิปจิได้ฌานก็ดีเหมือนกันอ้าวก็ต้องถือฌานเป็นพื้นฐาน<อ> จ, าจะเป็นอรหันต์าาตุก็ต้องมีฌานเปพื้นฐานไม่มีฌานฐานไม่ได้ดอ้าวตายแล้วนักปิการนบางองค์ก็บอกว่า สมาธะไม่ต้องใช้วิปัสนาล้วนลวดเลียยจะไปนิพพานได้ง่ายเพราะสมาธะทำแล้วตัวนองก็ใช้ได้จะรู้เรื่องอะไรคุณสอนอ๋อมั่งวันยุตรงฆ์นะมั่งกว่ายุทธสงฆ์ยุทธสงฆ์กว่าเยอกว่าเยอมันยกจะไม่ได้สิ่สมาธิเปันญาณธรรสมอท่านทุสมาธิ้าไม่มีสมาธิบัญญัติญาณมียังไงปัญญาณนิยังไง อ๋อต้องมีสมาธิเสียต่อนะสมถะคือสมาธิตัวเองต้องทำพร้อมกันสงสัยท่านคงไม่รู้ว่าสมถะสมาธิตัวที่ไม่ไม่รู้ไอ้หมอนน่ไม่รู้แน่ก็กคงเป็นอะหานรุ่นใหม่นะรุ่นโน้นดึนะรุ่นเทวทัศน์หลโอ้ยุยกให้เจก็รอรุ่นเก่าเลยง่ายางเดียวกันลาพรานวัสกนลงพ่อที่เคารพดังสูงยิ่งลูกได้นั่งพระกรรมฐาน ไม่ว่าจะเป็นซอยสายรงหรือว่าที่บ้านก็าตามพอจิตของลูกเข้าสู่พวังลูกจะเห็นมีมือมือหนึ่งเป็นผู้ชายลักษณะใหญ่โตมากบางครั้งก็รู้สึกว่าแกสัท่าจะเอามือมาตีบางครั้งก็สัท่าจะเอามือมาลูกเห็นแต่มือไม่เห็นหน้าเห็นตาจึงทำให้ลูกมีความตัวเป็นอย่างยิ่งนั่งกรรมฐ า, านที่ไรพอถึงตรงนี้พุชุ่งเหือกเลิกทุกปี ลูกอยากเจายุทธวิธีจากหลวงพ่อไปต่อสู้มือประหัดพระคลังเถิดสภานี่ยังไม่รู้จักสัพ์คำว่าพ่อวางอะหมายถึงอารมณปติอ้าวไอ้นี่ก็ไม่รู้เรื่องมั้งเนี่ยไม่รู้เรื่องอาการที่เห็นอย่างนั้นจิตเข้าอุปจารสมาธิไม่ใช่พอวังพ่อวางเทอารูธรรมดาที่นั่งอยู่เนี่ยเรียกได้วังวางนั่นแใจวางวางพ่อวางเพชรนะพอวางเพ รวยครับนั่นเปเขาให้หวนับนิ้วสิโอ้ไม่ได้เลยนับจะยืนแม่ห้านิ้วก็ห้าครับกำมือก็ศูนอ้ที่าหากแต่ลูกขบนก็หัวหัวบนไม่ห้าก็หกบนโอ้ยหลายตัวแล้วพ่อสงสารจะมือก็เถอะจะไปไม่รอสี่ตอนนี้นะ ทีรหายี่เป็นตัวนะครับคๆบครับนที่มีจิตข้าถึงอุปจารสมาธิมีเทวดาเช่นใจตกงมาไา่เท้ารักษะขาอ่าเป็นเทวดาที่เทารักขาครับครับทำมาแสดงตัวปรากฏเลยอ๋อพอแสดงว่าการเห็นชนิดนี้แสดงว่าหลวงพกอดีแล้วเี็นไหครับเริ่มดีอ่าเริ่มดีนะก็ควรจะดีต่อไปอ้าวนี่เลือดร้อนหลวงพ่อต้องช่วยหน่อยอาหลวงพ่อเจ้าขา ลูกโดยอ่านหนังสือธรรมวิโมกบอกเกี่ยวกับเรื่องศารว่าภูมิว่าหันหันไปทางพิศวรตกไม่ค่อยดีมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นจริงอย่างหลวงพ่อว่าแต่บังเอิญลูกมีความจําเป็นจะหันไปที่อื่นไม่ได้เพราะมันติดประตูบ้านประตูลวเอา่าเลยตั้งใจว่าอย่างนี้ว่าจะบอกกับหลวงพ่อว่าลูกจะลืมสารออกไม่ต้องตั้งมันละเพราะว่าไปทางพิศวรตกก็ไม่ดีจะไปที่อื่นก็ไม่ได้ ขอหลวงพ่อช่วยไปตกลงพระเทวดาด้วยเพื่อจะได้ไม่มีเวรสืบกันกันขอข้าพานะโอ้ยโอ้จริงนะรถเสือแพงไหมโอ้ยโอ้รู้จักค่ารถแพงซะด้วยเนาะยิ่งนั่งเว้นโต้หูลมันลิ้แพงใหญ่ใหญ่เลยอย่างนี้ก็ต้องฟูกบึงกันแล้วเอานี่สิยังไงถึงจะบอกถ้ามือมือขันจะเป็นเวลาจะถอนต้องบอกท่านนะตอนนี้เธอป่วยนะ เพ่อเยระเไม่หายเอาไว้ตั้งทำเม็หิ่งตั้งในบ้านเนี่ยเอาหิ้งตั้งแทนออกหมายความว่าตั้งขงบนก็ได้ใช่ไหมใช่ได้โอ้หนีก็ได้สุดน้ามาหลายสิบบ้านแล้วแล้วก็ปรากฏว่าใช่ผล อ, อย่งกาแจกซี่แวัยโมหมูฉันทุกเที่ยวที่แงโงนั้นฉันไม่เชืเช่อเาให้แจ๊กเรอจะเจ็กแจ๊กแจ๊อดแล้วไม่ต้องบอกลักเร็อนอยงเงี้งยฉันน จะเช็คนะมันหนึงมันมเป็นะเจ็ดนะเช็คหน่อยชาวสี่โอเคอรู้ภาษา น, นเยหลเนี่ยเพรหลวงพ่อก็ได้หลายภาษาเลยได้แค่นีได้ได้ได้แค่แแนี้เองเลยนึกเสีเยใจไเยอะแยะเออเช็คสทรายองหมูนพ่อเามฉันไปตั้งศาลสมัยนันนะลาบ ไปก็หาที่ตั้งไมาได้ด้านหลังก็ติดแถวแถวหลังมันจะเป็นห้องแถวใช่ไหมใช่ครับให้ข้างหน้าก็ไปถนนอ๋อแค่นี้ก็หนักใจเลยนั่งนั่งอยู่ไปเดียวถากถึงทารามพระครูมองนี่เขาตั้งใจโทรลจะตั้งศานแต่ที่ไม่มีได้จะเอาที่ไหนอ๋อพระคูนั่นบอกเอางีแล้วกันตั้งหัวนอนงัแล้วกันก็เลยบอกเขาเขาเลยเอาถ้าตั้งหิ้วพอตั้งอยู่หัวนอนแล้วก็ปรากฏว่าเจ๊งนันถูกดา ผู้เชี่บ้านใยกานดรงดาห า, าบ้าเบาบอกจักตั้สงสังนพูดในในหัวนอนในที่นอนใคร ไ, <ง S 2> ร ไ, ไี่เขาตำดาไมกตำดานนะร่รลาบลาเป็นว่างวดนั้นจาบกว่าเจ็คหัวนั้นปกหัวในวันที่สองโอ้เป็นเลยได้หูหมหปีน้แต่วันนี้ตั้งแต่พ่อยันลูกเนี่ย โอหมายความาเวลามี ง, งานเจ๊คนนี้ก็ใช่เอามาเอามาให้นะใช่ใช่โอ้ยนี้เรากลับไปแล้วก็ลือสารกล่าวไปตั้งไว้หัวนอนวันนี้จะทันหรือเปล่าพรุ่งนี้โอ้โหเอไอรางวัลที่สองมีกี่ใบเนี่ยแล้วลูกหลานมากันเต็มห้องน่ะคุ้มไหวแล้วาง <c oughs> ว, วัลที่หนึ่งมีกว่าแบนง <ใจ S 2> ่ายง่ายอาามพูดทัางเขียน อ๋อพ่อยายรู้เหมนกันนะเหลือกันได้นะถ้าตบลงว่าถ้าจะตบลงว่าถ้าจำเป็นก็เอาไปตั้งที่หัวนอนห้องนอนนั่นนะฮะใช่โอ้อ้ทิศ่อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เป็นอันว่าเอวังก็มีสมมติที เลยสามนาทีไม่คล <Yeah. S 2> <ổ. S 1> ้องไม่ตรงเหยสามนจะต่อเลยนะต่อแล้วเนี่ยไม่ดีโยนนี่สาวโเย็นแก่เนี่ไม่ไหวต่ออีกหน่อยได้ปลาเท้าหลวงพ่อที่ก็ลบอย่างสูงหนูอายุสิบสองปีฝึกมะโนมะยิสิเมื่อเดือนเมษายนสองห้าสามสามก็เป็นเวลาร่วมสองเดือนกว่าแล้ว เวลานี้หนูมีความรู้สึกว่าเวลาจะทำอะไรหรือพูดกับใครก็ตามรู้สึกก็มีใครคนหนึ่งอยู่ข้างๆตลอดเวลาถ้าถ้าใครถามอะไรหนูท่านผู้อยู่ใกล้ๆนั้นจะบอกหนูแล้วตอบอย่างถูกต้องแม่นยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหนูมีความภูมิใจในมโนของหลวงพ่อเป็นอย่างมาก จะรักษามโนหลวงพ่อตนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ที่กลาบเรียนมานี้ขอถามเพียงนี้เดียวว่าท่านผู้นั้นเป็นอะไรกับหนูหนูควรจะทำอะไรตอบแทนท่านและถ้าหากว่าจะสงเคราะห์พิเศษอย่างกะไอ่ตำลาดเดียวเลเนี่ยานที่หนึ่งมันโหอย่างงี้ยี่หอาเดี๋ยวก็ยกสง่งางหนู จะพูดกับท่านท่านจะโกดธไหมเจ้าคะอย่าไปถามท่านนะห้ามนะหวยยังไม่ได้เลยไม่ได้นะเวลาท่านจะบอกสมบอกเองอ๋อท่านไม่บอกจะ่าไปยุ่งเขานะนรับครับคับเดี๋ยวนี้หนีมากคนนี้ยุ่งท้าในเป็นกลมครับครก็มีหกไงโอ้โหหลวงพ่อได้เลขแปตัวเลยนี่ีิดติดติดติดติดติด้ิดติดติดติดติดด อวันนี้ก็ึกมคนละที่ร้อยี่สิบหกคนนะใช่ใ่แล้วก็อะไรไม่ได้สี่สิบเอ็ดใช่ไหมใช่อ๋อมีล่างกับบนฮา่่้ไปตัวใครก็ตัวใครนะโอ้โนี่ที่ที่ที่ที่ขวั่ขันั่นขันก็รู้อ๋อตโตรงนี้เป็นเป็นชมหลวงพ่อเป็นชมโอ้คนที่มีบุญแล้วเป็นชมแล้วชมนี้คงเป็นโู้ อ๋อเคยเชียวโยงกับเด็กคนนี้มาก่อนนะใช่เป็นผัวใช่อ๋อแมสิริไ ด, ดไม่รู้ชื่อนะถ้ารู้ชื่อยกสองอาจะเชิญมาที่บ้านนะอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทีมชาตจะมาแล้วนะใช่อ่าวันนี้เขาก็ย่องมาแล้วมามาทํ า, าบุญไปไตเต้ลคือครูที่สอนนักเรียนในพณิธุการนะที่ยี่สิบคนแรกโมโนโยทิทิได้แล้วแล้วแมสิริได้ลํำปอพรุ่นี้จะมาใหม่รุ่นใหม่มายี่สิบพรุนี้วัน รำไหมผมรำมาแล้วจะลำไหมผมใส่นะแต่เวลาเขาจะรำเขาจะหลาดนะถ้าเข้า oh. ทีมเขาถึงจะราถ้าหากเขาไม่เข้าท i มเขาไม่รำอ๋อผมว่าคุณไม่ทันมั่งสุดบ่ายโมนหวยมันออกบ่ายโมงนีมันคุไม่รู้อีหน่อยนี่ยสุดคนเสาได้คอใสได้บ้างก็ที่นี่เด็คือหลายคนนะ เขาเขาเขเขาเห็นล er ูกหลวงพ่อได้โปรยคำบ่มีโบกอ่ะหลวพอเห็นแทนที่จะดีใจก็าล้องไห้โฮเลยไมเนียเขาบอกว่าอะไรนะอกว่าจะให้อะไรก็ไม่เห็นให้สักทีลูก็เลยเสียใจล้อไห้โฮโฮเก็เลยบอกรูกนะบอกว่าเป็นลายรับหลวงพ่อจะให้อะไรก็จะเป็นจะเป็นล่างเป็นบุญแล้วก็บอกลูกคมก็ก็ได้อรือดี้จะไม่ถ่ายทอดถ่ายนี้นอกเรื่องจ้าหวยมีอะไรลัน ถ้าตกลงพ่อสบายใจหมดแล้วนะผมก็เกรงใจหลวงพ่อเสียงก็เลยดีเอาละก็เอาแค่นี้เอวังเก็บเอวายให้ใจมันใช้วิธีง่ายๆให้แท่งพระสินิ้วถวายส่งวัดใดปีหนึ่งก็ได้ถ้าสักดังน้อยเราไม่ต้องใช้แร่โลหะ เป็นแค่บ şey, ุญบ wow. ุตั yes, ้นก like ็ได้เหมือนกันทุกสองนี้มายถหน้าตักันะใช่ใช่ไม่ไม่แผ่ขนาดชิปสองนี้ถ้าหาว่าชิปสองนี้แพงเกินไปก็ไม่แน่เรื่ภาวะของคนนะคลาดแต่ถ้าปดแล้วก็บุญแล้วก็เต้ก็ได้แคได้ขนาดชิปสองนี้วอะไรไวอถามถ้าบอกว่าถ้าเขาจะเช่าพระชิปสองนี้ถวายทาดทานได้ไหมถ้าบอกไม่ควรไม่ควรไม่ควรถ้าไม่ควรเรก็อย่าไปทำเขา นี่ก็ต้องไปตามการชี่านจังตะอ12นิ้วใช่ไหมครับคิดนิ้วเอาพออาศัยคิดนิ้วคิดสองยกแปดหน้าคิดคินิ้วก็ยกแปดครับโอนี่ถ้าเกิดมาแล้วผมรักปู่ก็ยอยมจนวันตายเลยสงสัยขีดแดงกทเรื่องเลยในบริเวณทั้งหมดไม่ทราบว่าหลวงพ่อาจารยะอนุญาตหรือเปล่า จะตื่อยังไงอ่ะเขาจะเอาไปใหม่ให้หมดเลยเขาจะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยเขาบอกเขออกาจะเล้านี้เขาบอกเขาจะขออนุญาตจะได้หรือจ ะ, ะยกพระเจะทคงไปเลย <c oughs> <c oughs> จ, จะเปลี่ยนธงชาติ น, ททนนะพอได้ได้ได้เปลี่ยนเป็นธงเลยที่เปลี่ยนองอเขาเรียกปักตรงปักตรงอะไรกันหมือนกัง รวยๆใช่นีภาษาอะไรภาษาเหนือแห่ภาคเหนือได้ได้เเป็นอ๋อนี่ี่แสดงวหลวงพ่อได้หลายภาษาันเหรอภาษาเดียวอ๋อเขาเรียกปาตงปตงอ่อย่าเทงเล็กมาเป็นทองใหญ่ไม่ได้นะโอมีข้อแม่นะใช่ใชหลกก็เป็นนะว่าจะให้ดีก็ให้เหมือนกระเดิมแล้วกันใช่ขอให้ใหม่กว่ากรแลงกัาาวหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง รูปอยกากเรียนถามหลวงพ่อว่าการนั่งสมาธิวันละสิบนาทีกับการจับลมหายใจเศ้าออกเสมอเสมอบ่อยๆนั่นอันไหนจะมีผลดีแก่นักปฏิบัติอย่างไรขอหลวงพ่อได้โปรดเมตตาขอตอบว่า <c oughs> ไม่รู้ขอตอบว่าอะไรนะไม่รู้ะะรนะมแห่ตอบได้สวยแลวเกินจะรู้ได้ยังไงที่ใจ อ๋ออันนี้อยู่ที่ใจผมใช่ใจมันกังวลหรือเปล่าล่ะถ้าส่วนไหนใจกังวลนั่นมีวอนห้าประการอย่างใดหนึ่งก็เจ๊งถามแบบนี้ก็ถามไม่ถูกตอบไม่ได้ครับอย่างนั้นถ้าหากเร้โดยหลักฐานก็คือว่าจิตว่างจะนิวรณ์จะภาวนาหรือจะจับลมให้ใจก็ดูนิวรณ์เป็นใอนิโมตะอาวอนมาเลยไม่ได้เหลื่อนเนาะ อาวอนุ two, hey oh ี่จะเอเส้นดืออี้จกิจสาตัวเนี้ย๋อหลอสี่หตัวที่ห้าหลอกขแล้วครับครับนี่ก็เร็วเหมือนยกจ่องล้งพ่อเขารับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไรตรงรับพักดีซื้อสัตว์สุดลิตต่อต่ออะไรนะต่อวันหน้าบริษัทอยู่เสมอแต่แล้วก็ถูกกลั่นแกล้งตัวในคนที่ขโมยโกงกินกลับได้ดีได้ยกจ้อง ผมอยากจะทําบุญกุศลประเภทหนึ่งเผื่อว่าต่อไปภายหน้าชาติหน้าจะได้ไม่มีคนสั่นแกล้งต่อไปขอหลวงพ่อได้โปรดเมตตาชีแนะด้วยเถิดขอรับอา้าวแต่ยังเล็ดไม่ออกพี่นกัะตรงนี้พี่จะไงดีครับหลวงพ่อไปนิพพานเถอะเออยถ้ายังไม่ไปนิพพาน เ, <อ>เพียงใดไม่ต้องห่วงจะแกล้งทุกชาติไงอ๋ออันนี้ก็เป็นของเก่าเคยตามมาพี่ได้ใช่ใช่อเอาเขาก่อน อ๋อมีใจก้าตำราวาฬคันนะแล <c oughs> ้วก็โตจะเคยสอนอย่างนั้นเจ้าเล้าแต่ลวงพ่อหลวงพ่อว่าถ้ารทรงสอนยังไขขงต่อเหมือนพระโต้อ๋อ <c oughs> เออก็อออออแปลกนะนึกว่าทำไว้ต้องนมนานกี่กีดีดักน่าจะเลือนลางจางหายของจริงของแทแ้พระศักดธรรมต่อ น, นี้ไปไม่ทำชั่วไปดีกว่าจะได้ไม่มีคนแกลงเราเนาะ หลวงพ่อขอรักการนั่งสมาธินี่ปรากฏว่าอารมณ์ไม่ค่อยจะเป็นหนึ่งเลยวกวอกแวกแวกอยู่เสมอขออุบายอยากวิธีจากหลวงพ่อที่แนะเพื่อการปฏิบัติของลูกด้วยเถิดเจ้าข้าไอ้วกวอกแเป็นหนึ่งแล้วอะไรฮะวอกวอกแวกมาเป็นหนึ่งละแวกแวกแค่เหรอใช่ เขาบอกแปดเป็นหนึ่งลดไม่ได้เลยนะเป็นสานเลยนะก็บอกให้จับลงไม่ใจเขาออกขออะไรกันล่ะจับขอตัวตัวลไม่ใจครับเ้าออกให้ทำให้เกิดขึ้นมาโอ้จับจับจับหลวกพ่อคะลูกก็รู้ว่าไม่ค่อยดีแต่ก็จำเป็นจะต้องทำเวลาไปติดต่อราชการงานขอให้เงินเขานิดนึงรู้สุกงานมันเดินดี ทำมาให้เงินมันช้าหน่อยไม่ทราบว่าการกระทำของลูกนี้จะทําให้มโนมายดีเสื่อมหรือเปล่าเจ้าช้มันไม่เสื่อมทำถูกแล้วทำถูกแล้วเหรอครับถูกแล้วโอเวลานี้ถ้าไม่หยอนนํามนเครื่องไม่หมุนโอมันปืดนนี่แหละต้อที่ไหนที่ไหนก็หย่อไปทกำแน่นนะถ้างั้นก็หยอดต่อไปนะหยอนต่อไปมันไม่ใช่หินนาทานโอยังไม่ใช่เหรครับไม่เช่นี่แค่จ้าง อ๋อ oh. เป็นที่เรียกว่าสะดวกทานนะข้าจังข้าจังอ๋อครับครับเพราะเพรว่ามันเป็นหลายําต่อไปเชอะไม่ยอดแต่เดี๋ยวก็ไม่ค่อยกลบหลวงพ่อเจ้าขาอ้าวอะไรอ่ะลูกทํา ง, งานตับญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะถูกกีดกันกันแกล้งอยู่เสมอที่ผงสัยตะเพาเดียวกับเจ้าก่อนนะจะเลื่อนก็เลื่อนไม่ได้เพราะการกดดันของคนที่เป็นใหญ่ ลูกทํามา20ปีแล้วมันประสบความสําเร็จเลยอยากจะขอคาแนะนําจากหลวงพ่อคาถาก็ได้ทําบุญแบบไหนก็ได้เอาเท่านั้นแหละขอให้ลูกได้เลื่อนถชดาพอใจแล้วจะดกว่าเราเท่านั้นนไม่ที่พอใจกว่าวันี้ก็าสันโดษจะทิ้งพ่อไม่ใช่จีที่เป็นสุขที่เป็นแสลงมหาพระที่รยรู้สึกสบายทุกทีนะ อะไ้วก็สันโดาสันเดาถ้าดิ้นรนเกินไปมันก็ยุ่งใจลำบากใจแล้วก็ทําไม่ได้จะไม่ได้ด้วยคือจะอัศจรรยเปล้านหลวงพ่อคะอลูกที่บ้านของลูกยังไม่มีสารก็เลยตั้งใจแล้วซื้อมาแล้วจะผัาซื้อสารประตูมาแล้วตั้งใจว่าจะจะลงหลักปักตั้งวันที่สี่นี้แ่ละค่ะสี่คือปอพอนะทีนี้ก็พระก็บอกว่าตอนกลงคืนท่านพระภูมิมาฝันว่า ไอ้แบบนี้ไม่เอาจะเอาอีกแบบหนึ่งแล้วท่านก็ทำภาพไปดูมีท่านท่านฝันนั่นเราฝันใครเรอครับะาภูฝันนั่นใครฝันฮะคุอ่านยังไงเหรอถ้ามฝันในยุ่งนั่อ่าจะจะจะขีนก้าวเส็จวขาภมมาเข้าฝันมาเข้าฝันเออไปซื้อว่าซื้อมาแล้วอย่างนี้ แต่พ่อภูมิว่จะเอาอย่างงอนใช่ไอจะไม่คืนส่วนยาไอจะไม่ตามใจก็ควรจะลงโทษผมให้อ่ลูกเลยมาขอเพิ่มบารมีหลวงพ่อช่วยตัดสินดีกว่าเพราะหลวงพ่อเป็นใหญ่กว่าพ่อภูมิรู้ด้วยนะรู้ด้ยังไงใคหญ่กว่าใครใหญ่กว่าใครเขาบอกก่าหลวงพ่อใหญ่กว่าพ่อภูมิโอ้โหพ่อภูมิใหญ่ชันมันเยอะใหญ่ใญ่ยังไงถนัดเอวท่านน่ะเอาวารอบเอาอบรู้ยังไม่รอบเลย รูปล้างอะเหรอใช่ยังไม่เคยเห็นไม่รู้ขนาดนองวังลงตายเป็นมะุมดิที่ไม่อยากตายตอนนี้มันแฉอะไรแล้ยังเปียแฉไม่ได้เาเยอกันตามใจท่านดีกว่าเขาตั้งการต่องการจะส่งข้อจริงมาบอกเขาไม่สรงข้อเขาก็ไม่บอกอ้กแค่ว่าทำใหู้กใจแล้วก็ใใจ เอ๊อย่างพระภูมินี่ก็บอกว่าทำอย่างนี้ดีแล้วพระภูมิวัดฒนชุ่มนี่ทาแบบไหนจะถูกไใจพ่อทบูวัฒนชุ่มเลยทำมีอะไรที่ถูกใจเาโอ้ยสีม่วงโอ้สีอื่นก็ไม่ไป่ไม่ช่าไห <laughs> ไ่เลยก็ชอบทุกสีแต่สีม่วงชอบมาก <laughs> <c oughs> จะได้เอาไปสละนี่เองเลยอ่าเป็นอันว่าตามใจสักพันพ่อภูมิดีกว่านะจะได้ไม่มีปัญหาภายหน้า แล้วงพ่อเจ้าขาแห้ลู ก, กประสาปะโดนชอบหาล่างทรงรเสมอเลยไปเจอดีก็ให้พบท่านปู่ชีวโ ง, งมาลพัฒน์ทรงแงกแงะแย่งแงะรักษาคนไข้เ้าบอกเก่งหน้าเก่งหนาสร้าลูกเข้าไปหาพบท่านแนะนําบอกว่าการด่าคนจะทําให้เรามีบรารมีสูงส่งเอวอกใ ห, หม่กันแน่เนี่ยลูก <laughs> ก็เลยแปลกใจว่าชีวิตปฏิปทาของปู่ชีวนั้นท่าน ท่านเป็นคนดีไม่ใช่หรือคะการที่สอนให้ด่านี้สงสัยไม่ใช่แน่หรือลูกพ่อว่าไงลูกจะเชื่อหรือไมอนกินท่านสอนถูกแล้วนะเอาอีกแล้วสิมาอีกวกแล้วยังไงถ้าด่าแล้วก็ถูกเแล่วมันลอยขึ้นไปอีกเป็นการสงสัยไ่ใช่ไม่ใช่มถูกเริ่มวกไปวกมาแล้วเอานี่แหละนี่แหละนี่แหอดทรงจะลืมว่าท่านคีออาชีพโกมาลภัจจาันเป็นพระอรหันต์นะ เปนตตะไปนะโหจริงๆเป็นไปแล้วเหรอมือแล้วหลังนี้พระเจ้าในทานเผาไม่อยู่วันเราเป็นโอ้โอ้นี้ต้องเรียกขั้นนะที่นะใช่สิโอ้เป็นเตตะเตตะกันไปนะครับยุ่งนะอย่างนี้ถ้าหากไปเจอทรงถามว่าอยู่ท่านไหนถ้าบอกว่าอยู่ท่้นดาวดึงแล้วนี่วกแน่นะเียเสียสามเสียรู้ผลเลยก็เป็นอันว่าได้ความรู้ใหม่นะท่านปู่ชีวกเป็นพระหันไปแล้วนะ มียกตรงหายปากเดียวกระตายจะช่วยแน่นะผมยังนับถือไม่หายเลยอ่าหลวงพ่อเจ้าขาอ่าลูกมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเป็นอะไรเป็นธนาคารเหรทชื่อธนาคารอคือว่าแะเป็นคนดีมากอ่าแกตายไปแล้วก็อยากจะทำบุญทากุศลทิดไปให้แต่ที่แปลกใจก็คือว่า ในการทำกุศลไปให้นั้นไม่มาปรากฏเป็นยมิทธ์แบบไหนประการใดเลยลูกตั้งใจว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้จะพอมีผลบ้างหรือไม่เจ้าค่ะดีมากดีมากทำเท<อ>่าไรเราเร า, เราก็ได้เท่านั้นเร<อ>ไปผน<อ>คนได้อยู่แล้วห ม, มายความว่าผู้ให้มีได้รับอยู่แล้วนะใช่ใช่อย่างนั้นก็ทำต่อไปีอะไร พ่อราเรียนหลวงพ่อเจ้าขาที่เขารบลูกได้มาเรียนมะโนโมยิทธิเมื่อวานนี้วันเสานะปรากฏว่าวันอาทิตย์ลูกก็มาฝึกยานแปดแล้วก็เมื่อครูนำยังไงลูกปไปทุกอย่างทุกประการวงเล็บไฟได้ขึ่งยก ย, ยังไงลา <ะ S 1> <ด>สุมาข้างหน้านี่พอมาตอนหลังๆมันไม่ยอมตาม่างครูดื้อเหลือเกิน จิตเฉยนิ่งลูกก็นึกในใจว่าถ้าอย่างนี้คงจะไปไม่รอดไม่ทราบว่ามาจะประตนหรือจะมีเวรกรรมทำไว้อย่างไรประการใดขอลวงพ่อได้โปรดชี้แนะเพื่อการแก้ไขต่อไปด้วยเถิดเจ้าขาเรียกอุเบกขาอุเบกขาบางเฉยก็ความโง่เพราะพะความโง่แหละใช่บางก็ขอความโง่ตรงเจริญไอ้โผมาถึงขนาดยานแปดแล้วยังยังยัโง่ที่ยังจะโง่นะ ง่าก็ขอให้โมต่อไปลาพ้าวหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงโอ้โยตัวอย่าใหญอขอบคุณเล ย, ยต้องเอาแว่นขยายลูกมีเรื่องเดือดร้อนและสงสัยจะเรียนถามหลวงพ่อดังต่อไปนี้คือว่าที่บ้านของลูกมีพระพุทธรูปฟางลีลาพระองค์หนึ่งปรากฏว่าหักสามข่อใครแนะนำ ให้เอาไปถวายวัดก็ไม่เอาไปเพราะได้ความเสียายภายหลังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปรากฏว่าหลานชายของลูกไปถูกรถชนติดลอ้อโอ้ยังเหลืออย่างเนี้ย <c oughs> มันหักเฉพาะบริเวณที่พระหักออกพระขาที่ขาพระแขนหักก็หักที่แขนเลยลูกตัดสินใจเอาพระนั้นไปถวายวัดแล้วเป่าทิศฝุ่นบุญสุนทุสนไปให้กับพระพุทธเจ้าที่หักนั่นด้วย ขอบารมีของพระองค์ด้วยโหสิกรรมขอให้หลวงพ่อได้โปรดทูลพระองค์ด้วยว่าต่อไปอย่าขาหักต่อไปเลยจะขาดโอ้โหขาหักต่อจะเป็นไปได้หรือครับหลวงพ่ออย่างนี้นะไม่รู้แม่ไม่เคยเห็นแม่แปลกนิดหนึ่งนะในที่จริงเขาพูดกันเราก็ไม่เคยประสบมีประสบการณ์นะทราบทราบมาโยด่วนที่พี่หลวงพ่อเคยแนะนำว่าอย่าเรามีพระแขนหักขาหักก็ต่อใช่ เปิด ห, หายหายไม่เปิด ห, หายเส้นเลยหาขากสน ม, มาั่งวะดิโอ้มีขนาดอบลมนะใช่ใช่ใช่ครับครัลูกนั่งพระกรรมฐานสมาธิปรากฏรู้สึกว่าเดินทีก็แน่นหนาอกเดี๋ยวบางทีก็โยกคลองบางทีก็ร้องไห้บางทีก็อัวโตบางทีทำท่าจะลอยอย่างนั้นแหละมีลักษณะอย่างนี้ทุกครั้ง ก็เลยมารู้ตัวเองว่าคงเอาดีไม่ได้ในชาตินี้ขอบรารมีหลวงพ่อได้โปรดที่แนะแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ด้วยเถิดเจ้าข้าไปซื้อเค่งซื้อคู่มือประเระสริฐของบันอนานอ๋น อ, าา อ, อที่ว่าธรรมเทาอ๋อที่ซอยให้หลวงมีแล้วมีแล้วทุกประการก็ป<อ>ีติไม่ได้รู้ดีหรืไม่ดีอย่งนั้นเดี๋ยวไปเจอมันมีห้าอย่างนี้เป็นงงง่ใายอ๋อน้นอยตาพวมือ ที่ที่ที่เคาเตอร์มีแล้วนะมีแล <นะ S 2> ้วจะได้หมดปัญหาไปหลวงพ่อกร็รับหลผมผมิดเลิกพระจันทร์ที่ยี่สิบเก้าทุตลาศูนสี่ที่พูดดังนี้ก็เพราะเหตุว่ามีความประหลาดเกิดขึ้นเีวิตของผมไม่เคยได้ดีอะไรเลยทั้งท้าที่ผมก็เจอพระดีๆทำบุญกับพระดีๆ ไ้วพระกับพรดีดีแท่ชีวิตไม่เคยดีเหมือนพ้าเออเมยังไม่ไงนี่ยนี่นี่นี่บอกแล้วบซะดิแม่เข้าใจแก่เลยนะใ่อถ้าจะเอาดีอย่างใช่ใช่ก็ต้องบวชราบทราบราบถ้ามอเพ็นเนนี้ก็อยากจะมาพึ่งบารมีหลวงพ่อใต้ข่าวหลวงพ่อก็มีดีเยอะอยากจะดีบ้าง หลวงพ่อมีคำเอาได้แนะนำไปแด้ไว oh, oh, oh, yeah oh. oh, cool. ้แนะนำไปแล้วอ้ยังงี้ง่ายเลยโอ้ให้มันสาเท่าชันนะอ้าวเราบวเรยมาเท่าชั้นบวชนี่แหละโอยังลูกเมียทำไงมันลูกเมียก็ปล่อยไปเลยโอง่ให้ทานเลยให้านโอให้ทานไปเลยทำมาตาแก่หน่อยก็ปล่อยไปเลยนะอ้าวก็เป็นทางว่าหลับอารมณ์จิตสมัยนะโอ ไอ้เรื่องชื่อเสียงเรียงนามต้องเปลี่ยนชื่อใหม่หลวงพ่อคิดว่ามันจะทําให้เจริญรุ่งเรืองหรือไม่และคนที่จะเจริญรุ่งเรืองนั้นเกี่ยวด้วยการกระทําปฏิบัติแบบไสขอหลวงพ่อได้โปรดต่ อ, อดว้วยเถิดขอรับทำดีทําดีทดําดีจากของคำเนื้อนั้นเลยใช่มีพอแล้วชื่อชไม่ต้องเปลี่ยนแล้วที่ทำก็ทําชัว่ว <laughs> ชื่อไม่เกี่ยวไอ้คนชื่อดีชื่มันเลวเยอะแยะไปคนชื่อรวยจนก็ต้องเลี้ยแย่แม่จะเป็นลูกพุ่งเพลงแค่เข้าพอสซองเลยตกลงว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะทำดีก็ไว้แล้วกันลาบเท้า ระเดชระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณที่เคารพวันนี้มียศไหมไมียดหน่อยหมายอยู่ไม่ต้องนานก็จะไดย้ยศวันนี้คือเมื่อคราวเป่ายันปรอกเพชร28เมษายนที่ผ่านไปลูกมีโอกาสาเข้ารอบแรกตีหง้าระหว่างทาพิธีลูกก็หลับตาท่องภาวนาพุทธโทธตามที่หลวงพ่อแ น, นะแต่พออารมณ์จิตสบายปรากฏเห็นตุ๊กแกสองตัวมันกาลังจัดกัน ตัวหนึ่งต้องมองมาหาลูกลูกก็เลยตกใจแล้วก็เกรงว่าลูกปฏิบัติหรือทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเปายันต่อไ้คราวนี้จึนประสบปัญหาแบบนี้น <S 2> <S 2> ไอ้ทุกแก่เองแกว่าอย่างไรฮน้องตัวละสอแน่ละสองแนงแ่แกมันก็เปล่าเออเยก่อน ตัวละสองสี่ขาสี่ขาสี่สี่สองสองสองสี่สี่ไ่สองสี่สไม่เกี่ยวเลยไเกี่ยวเลยลูหมายังไงยัง้เปนกุญแจอะไรถ้าเป็นเชือเป็นลังไม่เกี่ยวกันนะครับครับแล้วก็ยัอบจเป็นกุแจไม่มีนะยัต้องเป็นยันนะใหญ่เขาเรียว่ยันยันะ้อได้ เห็นเป็นพระพุทธเจ้าได้เห็นร anyway, ูกคนได้เห็นยันต์ก็ได้ถ้าเป็นแสงเผยอะไรก็ได้ได้เพราะตาตุ๊กแกนี่ไม่ใช่แน่นีไม่เคยเจอก็หรือจะเป็นคนเราต่อตรงงี้ตุ๊กแกแกแกก็ยังก็จริงไม่น่าตกใจอะไรเลยนะทีนี้แกแปลกว่าถามเพื่อนเคนนั้นก็เห็นเราพุทธโลกเห็นทุกนเห็นดิมาถึงแกเห็นลายว่างบอกตุ๊กแกไม่ต้องไปถามว่ไม่เป็นลานะ อ้าวมีก็ เ, เป่าอีกแล้วหลวงพ่อเจ้าขาคุณแม่ของลูกไม่สามารถไปรับการเป่ายางกรอกเพชรที่วัดท่าสุมกับปราวกรดได้คุณแม่ภาวนาอยู่ที่บ้านก็ปรากฏว่าเห็นภาพสีแดงแก๊สปรากฏถ้าจะเต็มบ้านไปหมดแม่มีความตกใจเป็นอย่างมากเกลงว่าจะเป็นสีที่ปยายจมราชจะมาเอาชีวิตไป <c oughs> ลูกเลย <c oughs> ขอบารมียางกรอกเพชรให้แม่มีอายุยืนยาวต่อไปขอหลวงพ่อช่วยด้วยนะเจ้าขานะ <c oughs> เกาะเพชราจจะเป็นสีแดงที่แดงได้พุทธเจ้ามีหกสีนะถ้าพลังสีนะาจอยเกาะเพชรก็คือพุทธคุณของพุทธเจ้าสีอะไรก็ได้าแต่จะไม่ได้หมายทางแง่รายนะแบบนี้นะก็ไม่แฉร้ายดี่ดีที่จตพลังสีสีใดสีหนึ่งก็ได้เห็นสีก็ใช้ได้เห็นพระองค์ก็ใช้ได้ ถ้าเกิดวันนั้นเกิดเห็นกล้องญาณัสหลวงพ่อเลยจะใช้ได้เขาใช้ได้ไดเหรอครับใช้ได้อออบอกใช้กล้องญาณัสตรงนี้เ <c oughs> ลหลวงพ่อเจ้าขาลูกขอคาแนะนําวิธีปฏิบัติว่าคนที่จะเกิดมามีทรัพย์มากแล้วก็มีอายุยืนจะต้องทําบุญแบบไหนขอหลวงพ่อในเมตตาลูกด้วยเพราะตอนนี้จนด้วยแล้วก็เป็นไม่สบายอยู่เส ม, มอเส ม, มอด้วยจะา่า มีซับมากก็ะไหวฟังารรมฟัพธรรมนในพระเจ้าบอกว่าคนหวฟังธรนมในจิตไม่ใช่ในจิตเป็สัเพิ่มทธิ์สัจสัทธาแท้นะทราบดาครั้งเดียวในชีวิตเกิดไป็ิตใชก็ตามคำว่าจนไม่มีซึ่งวันจะเข้านิพพานถ้าเป็นคนไม่มีโรคจะต้องเป็นคนมีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำ้ายสัตว์นี้หลักเขาอยู่อย่างนี้เลยก็มีแล้วปาบ แล้วที่ว่าทำสังฆทานทีจะต่อไปไม่มีจนีช่ไหมไม่มีจนแล้วถ้าทำสังฆทานนี้จะให้รวยชาตินี้จะได้หรือเปล่าเขาบอกได้ได้ได้ได้ได้ได้ไแล้วครับพระรวยอิศวรวิสาหิริจารนิริจารวัฉันได้เลยอ๋อไน้าละต้องยุ้ยกระหวายนะที่กก็บอกว่าแมมก็อยากจะรวยรวยอย่างชาตินี้นะไอ้ยุ้ถามปาปัญญานะทายังไงจะรวยชาตินี้นะ คัาจริสถานร้านของหลวงพ่อเขายอดอยู่แล้วนะการถวายพระองทานมันตัวเตี้ยคิดถวิจานาให้ดีนะทราบทราบถ้าสภาพกายเคลื่อนมาของเรื่องหัวเทศคนอื่นที่เขาไม่เคยถาวายก็เราเคยถาวายมันจะเข้าตัวมากกว่ากันอ๋อดีกันเยอะเขาที่สุดมาแล้วนะทราบทราบท่านให้ทานนี่ยแม้แม้แม้การฆ่าก็ใช่เหมือนกันทุกอย่างมนะันอ๋อไปได้ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างทราบท ถวายประธามเ้นไว้แต่อาวุธอะไรคงข้อนีเมียเจียวแต่ตนนี้ผมซื้อตว์นะครับแต่จงรักซักดีต่อบรรยายอากราบเท้าหลงก่อจุกระล๊บอย่างสูงเพื่อนของลูกไปให้หมอดูดูลายมือบอกว่าเส้นชีวิตสั้นลงอาจจะต้องตายในไม่ช้านี้ลูกจากจะมาพึ่งตอยสายลม ขอให้ช่วยแนะนำวิธีต่ออายุขอให้ลูกอายุนะฮขอให้เพื่อนอายุยืนยาวสงฝานแกเหลือเกินแกก็เป็นคนยากคนด้วยเจ้าข่าไม่ฮะเราก็ซอยเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าหาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าม่าฮ่าาาฮ่าฮ่า่า เป็อายุขที่เราพยากรอ์ไม่ได้นะสมมติอายุขไม่ได้ถ้าเป็นอายุขนะสมมติว่าถ้าเป็นอุปการะจำได้แล้วเราทำได้อุปการะจไม่มีอะไรปล่อยปลาปลาที่เขาจะฆ่าเขาจะขายใช่ปล่อยนะมันเรื่องราวไปก็พ้นไปถ้าเป็นอายุขัยเราไม่สามารถแก้ไขได้มันมีสองอย่างถ้าเป็นน่าการปลาอย่างเดียวนกนักอะไรไม่ได้ท่านพ่ นก day day oh. นก็ได้ตาถ้าดีก็ตามตายมากอนกบางทีปล่อยแล้วกลับไปบ้านเก็ของใช่นส่วนมากจกไปนอย่นั่ะใช่ปล่อยวันนี้ก็เย็นพรุ่งนี้ก็เอามาตอเนี่ยเอาตอกไหมา่แน่นอนตากับปล่อยปลาดีกว่านะแห่เท่างแกงข้าวสวยปลาที่ไหนได้เออก็ดีแกงวไได้นี่วันไดนไ่หลอกมาเลยยัรับรองหลับ ปล่อยปลา่ออายุตาหลวงลพ่อเจ้าขาลูกกลาบขอเรียนถามหลวงพ่อว่าการที่เราจะทําบุญเลี้ยงพระพุทธรูปเออไม่อยากไม่ยากไม่อยากไม่อยากยาก็เจอไปหลายแรกวก <c oughs> ารที่เราจะทําบุญเลี้ยงพระพุทธรูป <c oughs> และพระอริยสองออลูก ป, ปั้นเหรอว่าจะทําอย่างไรเอ๊ไม่เคยได้ยินเลยนะ ผมชอบเขได้ยินสาวเรียงพระพุทธรูปนี่เได้ยินเได้ยินอาจารย์อ่านเนี่ยาความจริงน่าจะถามว่าเออจะทำบุญบ้างจะตั้งหรวพุทธรูปหันหน้าไปทางไหนเราสงหันหน้าไปทางไดนี่คกบอกจะเรียกหระพุทธรูปผมเรียนมันไม่ยากนะไม่ยากหรอกข้าวช้อนเดียวก็ถ้ห้ารอยงค์ช้อนเดียวก็กินไม่หมดนะห้ารอยงค์ไม่ไม่หมดหรอครัไม่หมดหรอก ไม่เชื่ลงเองไม่สรุอ๋อตั้งตั้งเท่าไรก็เหลือเท่านั้นเลยใช่ใช่เออพูดถึงเรื่องนี้ขอเสริมอันิด้ถึงว่าเอ่อทุกวันนี้เขามีบาทรพลาสติกเล็กเล็กับข้าวกรเล็กเล็กซ้อนกระเล็กเล็กเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าถนัดมักน้อยสันโดษใช่เอแล้วอย่างนี้คนถวายไปแล้วบูชาไปแล้วเวลาจะได้อันในสงส์ก็คงจะได้กระเล็กเล็กกียงไม่นั่งบนที่หลังไม่ได้นะ จะถูกหัวก็ถูกเล็กๆใช่ว <c oughs> ิ่งตัวเดียว <c oughs> ไม่ได้ต่อเต็ว <c oughs> ิ่งวิ่งตัวเดียวจะของโกงได้ขึ้นก็โอ้ะมือตกงขึ้นส็แๆที่หลวงพ่อแนะนำบอกว่าอาหารที่เราจะกินถ้าเราตั้งเป็นเป็นโต๊ะเป็นอะไรแล้วก็เป็นพุทธบูชาไวก้กรอ ตอนจริงไม่ต้องไปตั้งโต๊ะต่อหน้าท่นก็ได้นียนะถ้าเราถ้าเราจริงจังนะตอนจะ ก, กินข้าวก็ไม่ถึงพระพุทธเจา้าท่าน<อ> น, นึน่ถึงไม่ถึงท่านได้ก่อนว่าตามเขาว่าก็ได้ว่าตามนว่าก็ได้าถ้าหากก็เป็นฉบับว่าท่าซุงวา่าจะว่าอะไรมไาอยากพัชราค่ะหลวงพ่อครับเกิดสวดใหดีนะปราท่านเยลคะท่านเยลคะตุนาเฉิเถิ ตามมีตามเกิดมีเท่นี้เดียวค่ะฮ่่พอได้เจอต้นกร้มาใหม่เลยนะโอ้นี่จะปรับคำว่าเท่าซุงนะ่ไม่ไม่ต้องแปลอะไรเลยนะแปลทไมคนไทยอ๋อเราก็ภาษาไทยเอะันเจ้าัเจาขารุณาสันเถิดตามมีตามเกิดอะไรเท่านี้เจ้าค่ะโอ้โหเ่นี้เค่ะโอ้โหพวามจริงมีแค่เท่านี้นะ อย่างนี้ไม่ต้องแปลเพราส่อไทยกล้ากลับก็เป็นการว่าก่อนทานอาหารทุกครั้งนะบูชาถ้าต่อจะไดประโยชน์อาที่นี่เวลาลานี่ๆๆ่นี่่ไม่ต้องลากินเลยเพราะต้องพูดอะไรเลยเหรอครับ <laughs> <laughs> พูดแล้วท่านฉันลแลว้วแล้วก็เจี้ยอ้อหออทายได้เลยนะครับ เวลาเราสนอแสงมังลายาจามิขอที่เป็นมงคลนี้ผมขอสิครับถ้าฉันขอจะเจ้าค่ะภาษาไทยนะขอที่เป็นมงคลนี้ฉันขอเจ้าค่ะแต่ส่วนผู้หญิงผู้ชายขอผมขอนะครับไม่ใช่สีสับนะตัวกลายเป็นเผยถ้างหนักเที่ยงนาครับ อล อ, อลงเจบาเออส่ดีนะเาไปลงพราท้าหลวงพ่อที่เขาลดอย่างสูงก่อนเออพก็ผมขอกล่าวคำสวัสดีต่อหลวงพ่อด้วยเคยล่วงเกินหลวงพ่อมาเป็นเวลาค้านานแล้วเพราะปฏิเสธเรื่องนิทานที่หลวงพ่อสอนผมเป็นลูกศิษย์แะอาภิธรรมมันว่างมันศูน เดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วว่าไม่ว่างไม่ศูนตามที่อาจารย์มันว่าสงไปจะล้านแค้นเลยศุนยอาจารย์เก่าเลยนะโซดาโซดาสงไป่นั่นสิวันนี้ที่จดหมายมาไม่มีอะไรหรอกคือจะมากอบขอกมาลาโทษ ดอกไม้ทูกเทียนไม่มีมาผมเอาสตางค์ใส่ตู้แทนไปแล้วนะครับอช้ได้เดีย๋ยวเยเสียสียยอะไรอ๋อต้องดูสีอีกเหร อ, อ ข, ขอขะขาขอขะไมา้ต้องมีสีดิเหรอไม่สีสีไม่รู้เขาด่าสีไหนนี่<อ>นี่ถ้าจำไม่ได้กต<อ> <laughs> ็ต้องใช้สีม่วงนี่นิานนิพานต้องใช้สีม่วงโอ้สานของสูงนะ นี่จะต่อไปรัฐบาลผิดใบลาพันมาก็ต้อง้สีสีสีใบลาพันสีใบลาพันนะฮะแล้วก็โดยสรุปก็คือว่าของหลวงพ่อได้โปรดตโหรสืบตามให้ลูกด้วยแต่ไม่เป็นต้นปลายลูกจะขอปฏิบัติตามแนวของมโนยุติธรรการขอรับไม่เป็นไรไม่เพราะไม่เคยเทีโทษโกใครโอ้อเกปกติหลวงพ่อไม่ไม่เคยทาอะไรใครเลยเนี้ยเคย อ๋ี่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วตะกี้บอกก็ไม่เคยอันนี้บอกเคยกแล้วเมื่อก้บอกไม่เคยถือโทษโรใครจะทำอะไรไม่เคยทำาอ้แว่าจารจะรู้งงอะไรหลวงพ่อขอบอกผิดตลอดนะใช่ถ้าไม่รู้ะถ้าถ้ารู้ล่ะถ้ารู้ล่ะถ้ารู้ไม่แน่โอ้ก็แปลว่าฝังฝักติดขึ้นกันนะถ้าความยิงท่าแทงโกรธห ล, ลบับฝ่กคนนั้นโทษน้อย ถ้าฉันไม่โกรธเขาจโทษมากนี่กลับกำลําปัด ก, กับชวบ้านที่เขาสอบเขาพูดกันใช่ใช่ปัดหมายไ ม, ไมความางการถ้าฉันโกรธถ้าฉันโกรธเพราะเขาด่าฉันมาใช่ไหมปัดปัดฉันด่าเขาด้วยขึ้นสถานีเสียด้วนกันสองฝ่ายอ๋ออ๋ อ, อ <laughs> หมายถึงภาพปัดรงพักกันใ ช, ใช่ใช่่ไม่ใช่ปัรดรองพักปัดผู้ดา่า <laughs> แหมนี่โบราณปะนต้องหลุดไทยแท่เลยนะละเอียดลออเรื่องสอบแตนี้ถ้าเราไปด่าคนที่เขาไม่ควรไม่ควรจะด่าอย่างพระอเจ้าเลย่าไม่ดาตอบเราสวยโอ้ยแล้วก็โวยมาเยอะแล้วดอาด่าตงี้ก็แสดงว่าเขาด่าเราเราด่าตอบไม่ดีนะไม่ดีถ้าเขาด่าเราเราไม่ด่าตอบจดีเ้าไม่ด่าตอบเราจะยิ่งมันรุนแรงโอ้โหดา ก็เป็นนั้นว่าสบายใจได้อย่างหนึ่งว่าหลวงพ่อไม่เคยถือโทษโกรใครเลยนะแม่ไม่แน่เมื่อก่อนเอาออกมายุก่อนนี้เหรอเมื่ก่อนนู้นเอาเคยโกรธเป็นไงล่ะพ่อเคยตอเป็นหลวงพ่อยังไม่โกรธตอนเป็นหลวงพี่ดิเี๋ยเดี๋ยวต่างกันยังไงหลวงพ่อหลวงพี่เนี่ยหลวงพ่อเปนแก่พี่มันหนุ่มตอนนั้นเคยเคยเคยมีเมกันเหรอครับเคยมี แต่เหมือนเช่นบ้านเช่นนเห ม, มือนกันยีห้อเดียวกันม้ขนาดมีบุญทิขนาดหลวงพ่อเองยังมีเหรอคใครมีบุญอาหลวงพ่อเนี่ยแต่ใครก็เอาอ ะ, ะไรก็ถวายอะไรก็ถวายนี่มีเขาถวายเพื่อของสงฆ์ไม่เสียไปเอาเองสิอเวีนี่สัง า, านตัวไราการที่ <c oughs> าาวาา่าตาเดียวเลยเหรอครโอ้โหมาตาเดียวเวจีง่าย ทามาสังฆท า, านผู้รับพระผู้รับถือว่าเป็นผู้แทนสงฆ์ท่านั้นเองต้องไปเข้าส่งกลางเขาพออย่างนั้นคนที่เข้าใจติดคิดบอกว่าสังฆท า, านต้องมีตั้งแต่สี่ลูกขึ้นไปเอ๊ะทาไมซอยไส้ลมลงพ่อรับองค์เยว่ยังนี่ต้องเป็นปุบริการจริงๆลงพ่ออะไ ร, <อ>รผู้แทนสงูงอฆ์ไม่ไม่ไปรปุดเขาก็เขียนไว้ไเสือเสือกไม่อ่านเองเขาที่ใช้ภาษาไทยตอบเลยเลยใช่ คนผู้คนไทยเจ้าชาเจ็ดรู้เรื่องยากครับครับครับอ๋อทีนี้ก็ตวารกระต่างไจมนแล้วว่าที่หลวงพ่อรับองเดียวคือรับเป็นในฐานะตัวแทนของสงนะใช่ใช่อ๋อแต่เวลารับของตัวแทนของสงเอาเวลาขอนี่ก็เป็นของสงไม่ได้นะอะไรใครขอ่ะสมมติว่าถวายอะไรอะไรไปเนี่ยเกิดตกตกรถตกปลามาหลวงพ่อจะขาขอซะแลอวจะจ้องประชุมสงสิ โอ้เขาสง啊เวลารับรับของเดียวเวลาจะให้ต้องประทุมเหรอครับอ้าวต้องแจ้งห้อก่อนเวลารับสิเวลารับเราก็เข้าส่วนกลางเขาทราบไปแล้วอ๋อไม่ต้องประทุมกันเลยอรัครับอันนี้เวลาจะออกต้องประทุมสงถ้าสงลงมาติดไปใช้ได้แต่สงไม่ลงมาติดกันอ๋อจะเป็นไวแต่ว่าถ้าเงินส่วนนั้นเป็นส่วนตัวต่างหากอันนี้ใช้ได้ ปกครองว่าของสงฆ์ต้องได้รับอนุมัติจากเจ่าสงเออย่างนั้นของวัดาตา้าซูนสไปไม่ได้อะไรก็คิดเลยนะถ้าส่วนตัวแล้วก็ให้ได้ส่วนหัวส่วนปากไม่ได้คขาบิด <c oughs> ม, มีวงเล็บไปเหรอใช่ใครับครั บ, บเอาละครับสองควรแก่เวลาด้วยประการราชนีมีเรื่องนิดนึงท่า <c oughs> น, นผู้เจริญทำแบงค์ห้าร้อยหล่น بد, ไว้หนึ่งใบเมื่อตอนกลางวัน ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครก็ประกาศครับต้องจำเลขแบงได้นะถึงจะให้โอ้ล่งหูเลยแต่ก็ตั้งใจเอาอถ้าเป็นของใครก็มารับได้ถ้าไม่มาคนที่เอามาให้ผมก็บอกว่าให้ถวายหลวงพ่อเลยห้าร้อยก็ถวายหลพ่อสิบาทที่เหลือนั่นก็แล้วแต่ยกตรงยุบเท่านั้นนะเของรงจะตกลงตามนั้นนะ ถ้าวันคืนพรุ่งนี้ยังไม่มีคำรับยกทรงมาให้ฉันสึกบาทพระพุทธรูปนะจะต้องแผนของผมเข้าไปด้วยสิครับ <c oughs> ใช่ไม่ได้อบอก <ๆ S 1> บาทอะไรบาทระผมไม่รู้อย่างเนือดีไปเจอบาตรทักสายสารนบุรีเลยสายยกทรงลายใหญ่เลยโอ้รับนี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าอย่างนี้แหม อะไรเลย้นมาอะไระเพีย้ยคือว่อคือนที่แล้วเนี่ยท่านผู้เจริญท่านนี่ท่านจะกลับบ้านท่านจะหยิบุงผิดว่าร<อ>์ผงใครก็ไม่รู้<อ>มีทํารีโมกมีหนังสืออ่านเล่นมีหนังสือลูกผิดบันทึกแล็อกเก็ร์ในนี้เป็นสิบองเลยถ้าเป็นของใครนะก็มารับได้แต่ต้องจําจํานวนล็อกเก็ตกว่ากี่องค์แหมปูไว้ก่อนนี่ลืมไว้ครับ ไม่ใช่ลืมอ่ะคนนั้นเขาหยิบผิดไปดีนะผิดแล้วเอามาคืนยังดีกว่ายัางใช้ได้นะถ้าเป็นยงตรงก็ไม่มีอะไเงียบสองเว <c oughs> ขาเวขาเลยเอ้าวผ่านไปเรื่องที่สองอ่เองเองอาเรื่องที่สามก็นเเรื่องที่สามก็คือว่าเดือนสิงหาสิงหาหลวงพ่อก็มาสามสี่ห้าหกสามสี่้าหกเป่ายันกอเท ส, สก็เสวที่ยี่สิบห้าสิงหา สุขที่ยี่สิสีสิงหาพุทธาภิเศสอะไรหรือเปละละมหาราบหางหมากไมฮคนนั้นไปพูดถึงพ่อต้องโหสิด้วยนะพอไก่หายหายไปตัวดีีมร แม้แปลกนะเขียนเขียนมันตกฟองไก่ไปตรงพ่อเสกอะไรถูกเรียนมหาหังหมาใช่ไหมจะงไม่ไ้ม่รู้สึกตัวจะสมทบหางหสาม้าสี่จุดสอห้าครับเดียวสามสามห้ข้างบนสองห้าข้างล่างกินอ๋อที่ผู้ผู้ที่ไสร้างอสร้างใจก็ตาย ร้องข้าจะนามันสาใสายกสรงนะสามร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ถินวัดทา่าตรงสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทอะไรนะง า, านพระเจา้างานพระเจา้ า, จ า, า, จาพระเจ้าผมมหาราชห้าร้อยสาสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ออาางูกระเบื้องสารดิสองไล่สองร้อยหสิบเก้าบาท อาหารสง่งไตมากสามร้อยสบสองบาทห้าสิบตางเขียนเียใหญ่ไตรมาสสี่ร้อยห้าสี่ร้อยห้าสิบหกบาทยี่ห้าสตางค์รวมแล้วจะตามรายการนี้สองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบตางแวในตู้ยกทรงยังไม่ได้มานับนะจะโกงนะ <c oughs> หลายหมื่นนะ <c oughs> นอ็ น, นก็ค้าแก่ไม่รู้นะแล้วต่อไปก็ไปรายการขงคุณประเสริฐสร้างฐานสร้างฐานพระสองพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบตางครลงซื้อข้าวสองพันสองอหกสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์ปิดทองพระพุทธรูปเก่าสองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบตาง์ สร้างบรรดพราปเจกพระพุทธเจ้าสองพันหร้อยเจดบสาบาทเจ็ดยี่สิบห้าสตางค์สร้างกำแพงวิหาร1้อยเมตรสองพันสี่ร้ย็ดบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์ซีทีวีสีสนี่สิหกิ้วสองพันหกสิบาทยี่สิห้าสตางค์สร้างพระจำนสงเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดิบสี่บาทสร้างพระประธานหน้าตาก8่แปดตอกสามพันเก้าร้อยี่สิบเก้าบาท สังก็ทานหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยดสิบเก้าบาทยี่สิห้าสตางค์สร้างมีหาร1อยเมตรทีเกิบศพลูกพ่อสามบาทสามพันดสิบห้า บ, บ, บ, 3, บาทเจ็ดสิห้าสตางค์สร้างโคมไฟทียาวประชารัรัตนตรสามพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิห้าสตางค์อรถทัวรธรรมทานสองพันเก้าร้ยี่สิบาทห้าสิบสตางค์ สองข้อนเรีย น, ตนถกตก้ำท่วมยากจนนะสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ดอกไม้บวงสรวงสองพันสามร้อยหกบาทห้าสิบสตางค์สรานสกณพรกรรมฐานท่าลานสองพันเก้าร้อยแปดบสามบาทห้าสิบสตางค์จิตแอร์เส้นใหญ่เสียงในวิหารร้อยเมตรสองพันแปดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ สร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2,922 บาท <c oughs> บวดเมนบวดที้กับบดสิบปีหน้าโน้นนะ 4,55 บาท25สตางค์สร้างบรรทัดระบบไฟฟ้า 3,156 บาทเดี๋ยวยังไม่หมดแล้วก็สร้างวิหารคต สองพันหร้อยหสิบห้าบาทยี่สิห้าสตางคีเพิ้งคอนกรีตย่หานร้อยเมตรสามพันสามร้อยเจ็สิบบาทห้าสิบตางชื่อเครื่องเอ็กซเรย์ละหกพันสี่ร้อยเจ็ดิห้าสตางค์ปูกระเบื้องสราที่สองไร่เก้ 9, าพันหนึ่งร้อยิบสามบทห้าสิบตางค์เอย้ายเสียงที่สองไร่ห้าพันแปดิบแปดบาทเจ็ดสิห้าสตางค์ ใส่ย่ามหลวงพอ่อใครใส่ก็ไม่รู้้ายุงสงใสามมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสบเอ็ดบาทยี่สิห้าตางค์ไอสตงอยู่ที่ไหนวะรวมแล้วทั้งหมดที่นับมาแล้วที่ยังไม่นับอันนี้ตั้งหากนะนตะความได้ด้านคุณประเร 1, 3, 4, 3สริฐหนึ่งแสนสมืนสี่พันสามร้อยสิบแดบาทเจ็ดสิห้าสตางค์ไอเจ็ดสิบห้อยเอ้ยเฮ้เจ็ดสิบห้า เหมือนห้อยๆเลยไอ้นี่ยกทรงใครจะจัดอาภ า, าอานผลไหมว่าท้าทรงจัดไปเลยดีกว่าให้ครบป้าห้าห้าอทค์ไอ้นั่นไงไอ้บ้านี้แหละนร่นั่นไงอ่าจัดไปเลยจ้ะไม่เสียของ าต่อไปก็ยกทรงเวลาไม่มีวันนี้แย่พราะคก็ไม่หลับทั้งวันก็ไม่หลับวันนี้ก็ไม่ได้หลับที่ที่ตั้งพูดยังไม่ได้หลับอ้าวเริ่มได้จ้ะใครเสียงใครเหรอ้อกออกแน่ยเงหมาไม่หา่าไม่ออกองฟองอ๋อเนี่กรู้ว่ แตงเส้นเป้งแปดเนี้ยออกไปแล้วกราบเท้านมัสการสการขึ้นตรนไปแล้วสงสัยโลกง่วงนอนติดต่ อ, อมันจะตูวหวยจะยังไงเราเห็นโจโจ อ, อ, อ, อยูไ่ไม่ถูกกราบเท้านมัสการหลวงพ่อสุดที่รักและบูชาของโลกที่กรดเอาละเอาหลายรายการทํำไมแก่เกินไปก็น่านะัก เอาเอาเอาบเลยเจา้านี้ลูกไม่เคยลบกวนหลวงพ่อเลยใช่แต่วันนี้ห้ามจใจไม่ไหวจริงๆเจ้าค่ะอ๋อนี่ๆๆนี่ยงนี่ยนหน่อยพิธามเฟนีนะคือว่านับตั้งแต่ลูกได้รับหลวงพ่อมหาลาภทำข้าวไปแล้วลากฏดว่าได้อะไรแปลกๆอย่างที่ไม่คาดฝันเช่นหนึง่ง บริษัทคิดเัินเดือนเกินให้ห้าเดือนโอ้ยอไหนวนาะน่าจะคิดทุกเดือนแบบนี้นะ <c oughs> นี่บริษัทอะไรนะขอยกรงไปทาทุกคนนะเรียกยกงพาณิชย์จ่าห้าเดือนสองวันนี้อยู่ไงก็ไม่ทราบให้อีกสามพันเออโอ้โหน่าเป็นงนั้นมั้งนะลอยลู ก, กตัดสินใจมาถวายหลวงพ่อหนึ่งร้อยบาททันที <c oughs> ยังดีเต็มร้อเปอร์เซนตโอ้โหพอกำลังใจเหรอเต็มเต็มร้ออ๋อเต็มเหรอครับเนี่ยนี่ที่เต็ม 100% 5เดือนแล้วก็อีก 3,000 นะให้ร้0ยเดียวที่จดหมายมานี่ไม่ใช่อะไรหลอกเจ้าค่ะหนึ่งว่ากราบขอบคุณ สองพระเลื่อนมาไหลให้พิเศษมาไหลจะอาจจะมาถวายอีกห้าสิบเดี๋ยวจะเลื่อนขึ้นจะเลื่อนลงจะหาสิทที่ต้องเลื่อนลงนะครัครับโอ้นี่ก็เป็นอันยืนยันได้เลยว่าพระคําข้าวมหาลาบนะะแต่ว่าไม่เป็นไรที่ท่านไม่ได huh. ้ก็คอยหลวงพ่อหางหมากมาเริ่มกรับต่อไปต่อไปหลวงพ่อเจ้าขา คือว่าเอาไปจัุทษกือเลยเลมือเหมอนกับผู uh ้หญิงอะไรหลเพ่อขารับเล่มือเือผู้หญิงเยอเลยครับนี่อคือว่าเมื่อเร็วเมื่อสักผมไปบวชจูที่วัดแห่งหนึ่งบินสะบาทตอนเช้าตาลังสํารวมอยู่ดีๆหมาเยี่ยวรถจีวรผมพอผมสืกออกมาคนแดดที่ถ้าไม่สึกจะว่าหันไหลลงน้หมาเยี่ยวรถจีวอนี่อะไรใช่ใช่อ๋ออมีตุ้ย ถ้าคนธรรมดาไปนอนในหมาเยี่ยรถไะเป็นหมาเศรษฐีเลยโอ้โหไม่เชื่อจะส่งไปลองเลถ้าหมาวัดข้าทรงแล้วเชื่อใจได้เพราะนกกโดนถูกมาแล้วได้มาแสนกว่าฮะพบสาวเป็นก้หัวเยี่ยวยังยอมเยี่ยวเลยหมาให้ยอมแม่อยากคนด้วยอยากเอาสักสองตัวโตกินอย่างดีมันไม่ยอมนะรับบก คนแก่เขาบอกว่าเออลองไปถามว่าท่าสุงที่เผื่อจะมีสะดอกเลาะอย่างไรบ้างเรื่องหมาเยี่ยวรถจีวรเสร็จความจริงไปไปเึงเป็นมงคลมากกว่านะคิดถึงว่าว่ากี้เหรอใช่ใช่โ อ, อ้อยังงั้นไม่ต้องไปรถจีวรหรอกทําเยี่ยวต่อไปเถอะน่าต่อไปที่ <S <S วัพ่อครัรภอกระผมมีความเรื่องใ ส, ส่ศรัทธาท่านแม่ศรีเป็นอย่างมากอยากจะาถวายส ก, การาบบูชา อยากจะปฏิบัติต่อท่านแบบแชนิดที่เรียกว่าให้ถูกอกทุกใจลักลูกจนวันตายไม่ทราบว่าจะถวายอะไรและจะปฏิบัติแบบไหนขอเมตตาจากหลวงพ่อช่วยติดต่อแม่ศรีให้ตอบด้วยเถิดเจ้าภาคค<ำ>รับแม่ศไม่ว่างแม่ปสีไม่ว่างนะครับไ ม, line, ไม่ว่างติดฮอตไลน์ก็ได้องเงี้ยสองแสนจะบอกว่าถ้าต้องการเร็วนะใจ<า>่ายมาแสนหนึ่ง พอเป็นอะไรค่าฮอตไลน์แค่นั้นเลยใช่ทอาไลน์อ๋อเอางีที่คนติดใจแม่สีกันเยอะแยะกปฏิบัติในสัญโยิริการในเดชขาดเพราไม่สีเเป็นพระอรหันต์โอ้โอพระอรหันต์นี่อบแบบหมดหมดกิเลสใช่ใช่ใ่อ๋องั้นก็ไม่ต้องให้อะไรเอาเอาสังโยกอย่างเดียวนะประหยัดไปตรงเยอะ ตาเช้าโอ้โหนี่รอ่อก็เต็มเดียดเลยแล้วบังคับให้อ่านทุกตัวอักษรโอ้แมวด้วยเลยจังคุณเอ้อยโอ้ยาวเอาเอาย่อๆนะตาเช้านรรมชาการหลวงพ่อที่พระเจริญสูงคือว่าลูกได้เอาพระทำข้าวแล้วเทียนน้ำมนวงสงลวงราชการที่หนึ่งวัดท่าซุงไว้ในเสาสารพระภูมิที่บ้านเมื่อยี่แปดพอกทุตพาสารสามนี้ ก็ปรากฏว่าเมื่อเริ่มพิธีลูกทําตามแบบทุกอย่างเอาเทปขอหลวงพ่ อ, อเปิดให้หลวงพ่ อ, อเป็นผู้นําปรากฏเหตุม า, ากประจานมีรถมีลมแรงใหญ่พัดวูบแล้วก็มีนกป๋วงใหญ่บินผ่านมาเป็นปรากฏการณ์ไม่เคยมีมาก่อนเลยลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดอย่างนี้พิธีของลูกขาดตกบกพรองอย่างไรหรือไม่ขอรับเพิม่มเพิ่มไม่ได้คร อ, อต้องต้องเพิ่มและครับ ลาววิธีจำทำครบแล้วได้เพ oh. oh, oh, okay, no. yeah, yeah. oh. ิ่มเลยแล้วอ๋อได้จะได้องค์นี้ต่อไปก็จะไม่เหมือนกันนะจะเหมือนก็ไม่ได้นะแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันความผัดไม่เหมือนกันความผัดหรือว่าปรกานนะการที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันอไม่ละไอ้เจ้านั่นเหนืยท้ายฝนตกโหปวดใจใส่ขึ้นมาไอ้ตกแค่จริงจริงนี่กันนะล็องพ่อที่เคารพอย่างสูง การใส่บาตรของลูกทุกวันนี้ไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งนี้เพราะเหตุว่าลูกกับสามีชอบทะเลาะกันเสมอลูกเลยบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลิกใส่บาตรเอาบาตรวีละเทโยดีกว่าหัวบอกว่าอ่าสามีนะหัวอันเดียวกันนะ <c oughs> สามีบอกว่าถ้าเองใส่าบาตรจางนั้นเองก็กินของแห้งๆทุกชาติถ้าเองใส่ของปเปรี้ยวๆเองก็จะได้ของปีกเปรี้ยว ลูกกับสามีทะเลาะกับมีการใหญ่ลูกขออธิษฐานว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเปรียกเปียกลูกไม่เอาอีกแล้วส้ะค่ะโอ้เ <c oughs> จ้าแห้งนะเอแล้ว <c oughs> พูดถึงอันนี้ผมเนี่ยอย่าคิดเลกอย่าคิดเลยเอาตื่นตื่นเอาตืนตื่นแม้ขนาดธรรมุนยังมีการขัดคอกันได้กันนะธรรมดาโอกํำลังใจไม่เสมอการโอ้มไม่เท่ากัน อย่างต่อไปชาดหน้าก็ต้องไปขัดกันต่อไปอีกเนี่ยก็ไม่ไฟแล้วยขายจำแบบยี่งไม่พบก็ดีแล้ว<อ>ให้ไปแห้งๆไปนิพพานสิอ๋อแห้งไปนิพพ า, านนะใช่สิพอเปียน ก, ก็ต้องสิเปลี่ยก็ล อ, อยจี<อ>ไปละ อ, <laughs> อย่างนั้นเอาแห้งๆดีกว่านะนี่อธิษฐานว่าอย่างนี้ลุงพ่อจะขายลูกมีที่อยู่สีสีสไร่จะขายในราคาที่งามมาก แต่ลูกอทิศฐานว่าถ้าขายได้มาไรถวายให้หลวงพ่อเศษหนึ่งส่วนสี่ก็มีเศษส่วนไะด้นะยอะ่วนเยอะสวนขด่วนเศษหนึ่งส่วนสี่ของอะไรบออ๋อไม่บอกละเอียดซะด้วยเนี่ยคงจะเป็นจํานวนที่ขายไหมอ่าถ้าลูกคุยสัจจะก็ขอให้ลูกขายค่อนข้า ง, อ, ง อ, อะไรขอบารมีหลวงพ่อได้โปรดสงเคราะห์ด้วยเถิเ จ, เจา้าข้าอ่าได้ไงแง่เจ้านี้ ผมกลัวอย่างนี้ครับพ่อทีตอนบนเราให้เสร็จหนึ่งส่วสี่พอหากว่าสําเร็จเจ็บร้อยแล้วจุดสี่อย่างดี้นะดีก็สีจุดสจุดเลยใช่จุดจุดจุดเป็นสี่จุดไม่มีอะไรเมยเป็นแค่จุดจุดจุดอย่างเดียวนะใช่เออดีเหมือนกันนะขายที่มาได้บนละอ่าเผาฟาดเหมือนกัน เอลูกเป็นคนนิสัยไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งขอสารภาพต่อความจริงใจคือว่าไปวัดไหนอะไรไม่ถูกใจลูกมักจะอุบิดอุบิดน่งี่เงินพาพระตั้งแต่จเจ้าวาดลงมาถึงพระหลูกวัด <c oughs> นี่อย่างนี้นาวงเล็กไม่ใช่วัดท่าซุ้มนะ <c oughs> เออเข <c oughs> าไม่ได้จิ้มกัดวัดนะ <c oughs> อลูกทราบว่าไม่ดีเพราะจะเป็นการปลามาดไปที <c oughs> น, นี้ลูกอากจะข อ, ขอพึ่มบารมีหลงพ่ออย่างนี้ซัก ว่าวิธีจะสร้างอารมณ์ที่ไม่ปรามาตหรือไม่ติสินิพพาพระควรจะเริ่มต้นด้วยการสร้างอารมณ์แบบไหนก่อ น, นะครับโอ้พอตายซะก่อนโอ้นะโอถ้าอย่างนี้จบหลักสูตรเลยก็จบหลักสูตรแล้วเริ่ต้นใหม่ <c oughs> อ๋อไอที่เราเลวจะได้หมดไปเลยนะหรือว่าเป็นขอธรรมดาพระเองก็ยังมีกิเลสใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรเลงครับ ที่ตอนมีวินัยมาครับพระยังมีกิเลสอยู่ครับถ้าพระละหันพระเจ้าทรงยกยอดไม่กลับอะไรเลยทั้งหมดอ๋อหาอยากหน่อยครับครัก็ยังดีนี่รู้ตัวามาขอขอ ข, อ ข, อขอมาลาโทษนะอโอสิโตัสิจากเช้าหลวงพ่อที่ตรบอย่างสูงอ่าลูกเป็นคนไม่เชื่อดวงไม่เชื่อหมอดูแต่ตอนนี้ทักไม่สบายใจนี่สองวันนี้ไปหาแห่งหนึ่งวัดนะ ท่านบอกว่าลาหูกําลังจะเล่นงานเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วลูกก็เลยมาถวายสังฆทานที่ซอยสายลมเพื่อขอบารมีหลวงพ่อช่วยบอกพระลาหูว่าอย่าเอาโทษกับลูกเลยหลวงพ่อจะสงก็ได้หรือเปล่าเจ้าพระมันจริงหรืีนี้ไม่ยากนี่ยมัไม่ยากหรอกครับพ่อเขาเขียนขี่หูไว้อะไรนะใช้ขี้หูไว้โอแคลาหูก็อยู่ที่หูนั่นเองใช่ใช่ให้ลาหูจะได้งานนี่เขาเกิดวันอะไรอายุเท่าไหร่เนี่ย อายุอ่อมีนิดเดียวอายุก็คงประมาณไม่ไม่ค่อแก่เท่าไหร่มั่ตัวละไรมือได้ไหอายุพอของกวนที่แล้วรัาหูเข้าสาส<อ>าวแทะอรงนี้นะครับับเาหูเข้าปีหนึ่งสองสามสี่ยังไม่มีอะไรอ๋อถ้าห้าหกเจ็ดแปดเอาละโอ้เดือดร้อนคับคับัต่อไปเก้าสิบเ็ดสิบสองให้คุณ พอราหูออกพ้ะสุกเข้าโวยใหญ่ใครรับราหูใชอดีรับกคนนะครับคอย่าดื้อแบบฉันฉันโดนเองมาแล้วอะไรถึงบอกบอกมันเสือเข้าเองก็ออกไอ้สุกโอ้พอจะบอกก็จะมอไปเลยโอคนมีเหตุเหมือนกันเลยโดนมาแล้วครับครับยังมืหญิงคนหนึ่งอู่ว่าจ้ากข้างมากันยาใช่ไหมครับครับให้หมอดูดึงแลวดูในมือให้ดูให้บัคคุนราหูกำลังเข้า มันจะมีโทษทางท้องเป็นโรคทางท้องก็ไม่เชื่อกับวดีไม่ไม่กี่วันไอเสือเป็นคู้ตายตัวทีเดียวกันตอนจะทำที่ให้ทำพิธีทําบองไม่ทำไมโยมเข้ามาลึกแล้ว <c oughs> เลยไม่รับแต่ว่าไปรับประสุดแล้วกรอหูตอนสี่ปีหลังให้คุณดีมากนะเข้าทีสองปีเช่ไหมสี่ปีต้นให้โทษเล็กน้อยสี่ปีกลางให้โทษหนัก ทีทีหลังเลี้ยให้คุณของที่ไม่เคยได้จะได้เคยเคยได้น้อยได้จะได้มากจะไม่เหลือก็ที่เมาโอ้โหที่เมาเนอะพอเราหูออกให้รีบรับพระสุขจะรวยพอพหูออกสุขเข้ามาทันทีเลยทันทีใช่เอองไปรับพระสุขอีกว่าพาหูไม่เอาแล้วอถ้าว่าจะเค่จะมาแล้วถ้าไม่รับอยุ่ไม่กันนาจะโอ้ ก็ถ้าทำได้ก็ทำเสียถ้าทำไม่ได้ก็แคยกรงทำาบบว่าจะได้เคราะหนักไปเลยครั้งนี้สำมาหเร็ดโลูกจะถวายคุณเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลวงพ่อหนึ่งคุณนิดเดียวเอ้ยจะให้หลวงพ่อไปเรียนมหาวาลัยไหนเนี่ยใช่เลยมหาวิทยาลัยลงผี ขอบารมีหลวงพ่อโปรดสิสทธิศาสนให้ความปรารถนาของลูกสำเร็จด้วย เ, รฐฐาายเพระเจ้าค่ะขอไปเจอเจ้าภาพจนชื่อรวยๆนะให้ถูกถูกขอได้ยกความปรารถนาขอได้ยกฟงสิปอร์เซ็ต้องเสียด้วยลาพระ น, นักการประเดชกุลหลวงพ่อ ท, าาอที่เคารพอย่งสูงสุดลูกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสังฆทานครบชุด คือว่าที่ศูนย์พุทธศัทธาท่าลางมีสังฆ ท, ทานก็ทำแบบเดียวกับที่ซอยสลมทุประการแต่บังเอิญมีท่านสมาธิกคนหนึ่งมีความพอใจสมพุทธรูปเพียงแสนก็อยากจะเอาไปบูชาที่วัดจึงักจัดการหาสิกกรรมแต่ว่าคณะกรรมการยังไม่ลงมาติดให้มาถามลงข้อว่าจะสมควรหรือไม่เพราะเขาต้องการจะเอาเงินเข้าในศูนย์แห่งนี้เจ้าภาพ ไม่รู้ไม่รู้โ huh. อ <mons> ้สอบได้เก่งมากนั่นแล้วหพัดเตนเลยนี่นะใช่ใช่เอางี้ดิซื้อมาจากสมาเท่าไรขายเข้าไปเท่าตัวจะได้เสมอกันไใช่ไหมโอ้ยังก็ไม่ขาดทุนนะเจ้าก็ไปเลยนะราภพ้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกฝึกมะทนมยิทธิ ครั้งแรกก็ได้มีโอกาสไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปัจจุรามุ น, นีเมือ่อกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปารากฏว่าเมื่อลงมามีโอกาสไปเจอป๊อปสตอร์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นวิสุทธิเทพมองดูแล้วเหมือนกับวัาท่าซุ้มเฟะเหมือนกับที่ลูกไปเห็นบนที่ข้างบนทุบกระการอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าอารมณ์แบบนี้ลูกอยากจะให้มีมั่นคงต่อไป จะควรปฏิบัติเพิ่มเติมเสริมต่อแบบใสจึงจะให้อารมณ์นี้อยู่กับลูกต่อไปเท่าค่ะสร้างแว่นตาคนนะผมสร้างแว่นตาแล้ครับใสเยหน้าเขาไม่รู้สิที่ว่นตา <laughs> โอถ้อย่ยังให้ยู่าตัดขาเลยนะ ตข้าใจนะครับอารมณ์เดิมไม่ใช่อารมณ์ที่ทำได้ขนาดไหนพยายามรักษาไว้อย่าเล่นรัดอย่าเซ็งเกินไปแต่ซึมเกินไปอย่าขยัยเกินไปเอาแห้พอดีพอดีห้ามรีเจนเกินไปเอาพอดีพอดีนะทราบทราบทราก็เป็นนั้นว่าทราบนี้ก็ให้รักษาอารมณ์เดิมไว้ลุงพ่อขอรับลูกเป็นคนที่โง่และไม่ฉลาดเลยถูกต้อง <จ>โง่ที่เสือจ ะ, จะลอยขึอยู่มันเออใช่ใช่นี่เขาก็สารภาพถูกแล้วนะโมตนากระฟังโง่เท่านั้นถ้าเราจะได้โง่ตามแล้วต่อไปลูกเป็นคนโง่ไม่ฉลาดเลยฟังหลวงพ่อเทศก็จําได้เฉพาะที่ซอยสายลมกลับไปแล้วก็โง่เหมือนเดิมคือจําไม่ได้วันนี้ขอจําเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ยอมโง่ต่อไปแล้วคือจะถามดังนี้บอกว่า วิธีที่จะตัดขันท่าให้ได้มาตราฐานตลอดชีวิตสั้นควรจะเริ่มต้นแบบไหนและไปลงท้ายแบบใดขอให้หลวงพ่อช่วยตัดเป็นตัวอย่างให้ดูสดักครั้งเถิดพระรักเริ่มต้นเลยแต่ฉันไม่ตัดับท่องไพแล้วเขาบอกให้เป็นตัวอย่างกูบาอาจารย์ก็เริ่มต้นตรงนี้นะหาสตางค์เขา้สาสตางค์หาสตางค์หาเงินนะหาเงินอาสาเ ใส่เงินพอที่โต้เล่นหนึ่งได้เห็นโต้หนึ่งรับไปทมปันคอก่อนง่ายโอ้ตัดคอแล้วก็อีกอื่นก็ว่ากันทุกหลับไนเพื่อนตัวเรื่องกันไปใช่ใช่ใใส่กันห้าก็มีอะไรเล่าคนไม่เคยแกเจ็บตายก็ดูให้เห็นเหนเลยโอ้ใั่ทสภาพใช่โอ้ชื่อสุวัฒนายายก็ของจริงที่เราเห็นอยู่ใช่ ทิ้งคนก็เกิดมาแล้วก็แบกแต่แบกนั้นเป็นแบกใหญ่จากแบกใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวก็เป็นคนกลางคนคนกลางคนต้องแบกแบกแล้วมาตายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแค่นี้นะโอต้องต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใช่ใช่ใช่เอาที่ว่ามันต้องตายกันแล้วกันโอเอาตายไปเกณฑ์เอาตายไปเรียกพอเอาไปตากก็ใหม่นะเออลยๆขอด่ายๆหมดเลยปลอดภัยนะจ ลา้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคารพอย่างสูงใ<อ>า<ห>ปัจจุบันนีล้ ล, ล, ล, ลากว่าลูกได้ถูกคำโทษจากเทวดามาเป็นเวลาสองปีกว่าแล้วรู้สึกว่าทนไม่ไหวจำเป็นจะต้องมาพึ่งหลวงพ่อบอกให้หลวงพ่อบอกเทวดาจะลงโทษผมต่อไปเลยผมในเรื่องดังนี้ผมจะถูกคำโทษเวลาทำสมาธิรอบนั้นไม่เป็นอะไรเลย นั่งสมาธิีิไรจะต้องปวดหัวปวดโนะปวดนี่ดีไม่ดีอารมณ์ก็ค่ายเควผมคิดว่าเทวดานี้จะต้องตับผมจะต้องมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้หลวงพ่ช่วยแนะนําเทวดาอย่าลงโทษผมต่อไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะยังไม่รู้เทวดาอุาไหนเลยเพราะว่าเทวดามีเยอะกันเหละใช่อาเจยวนี้เธอไม่ใช่เทวดาผมาเรียกอะไรครับเรียกขันธมาร คนพวกคือว่าปวดง้นเป็นนี่เป็นอะไรไช่ใช่ใช่ก็ใช้ราปธแบบนี้ดีจะหายโอ้หลวงพ่อโปรดแม่ตาแนะนาโตๆโตโตโตนะครับครับช่างมันช่างมันฮ่า่ามันจะตายก็ะช่างมันมันจะปวดก็ช่างมันก็ให้รู้จักทุกทุกอาิสสัตย์ เนี <N> ่ยร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าเรามีร่างกายอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราเกิดจะไปริทพาลไม่มีร่างกายนี่มันจะไม่ทุกข์อย่างนี้คือยิ่งร่างกายนี่เราไม่ต้องการไม่ติดก็ได้พอแล้วอไม่ต้องการร่างกายนะใช่ใช่ใช่โอ้นี่กลับไปในหัว เ, เกิดไม่ต้องการร่างกายเมียเมียไม่ต้องการร่างกายหูใจยุ่งันมื้นทุกเมียเดี๋ยวนี้ยุตรงนี่ยเหนื่อจะต้องทำหน้าที่แบบเปิดต่อนะครับครับไม่กวนไปกรรมฐานที่วนไปวนมาใหนร่างกาย ก็ทาที่ร่างกายดีเพราะพระพุทธเจ้าเทศในพระไปรปิฎกมีขันห้าเรื่องเดียวโอ้โหเรื่องในทัตว์นนท์นว่นเองอ๋อนั่นแหละไปดูหน้าไหนที่ม่เกี่ยวขันห้าไม่มีเลยไม่มีเลยฉันเคยไปถามหลย่ท่านอาจารย์ว่านงโอว่าหงฉันอ่านพระไตรปิยกมาสามปีโอ้ปีไหลเที่ยวนะปีที่หนึ่งอ่านไปอ่านมามาไปปีเสาจของข้อ ตีถามท่องจำบางตอนยังจํามไม่ได้หมดอ่ะท่านก็ชักโมโหตัวเองว่าทําไมคนที่ไม่เคยเรียนมาเลยเนี่ยพอไปอาา่ันวิทยาลัยขันบอกทรงพระไตรปิฎกไม่เคยรู้เรื่องเลยงก็ไปถามท่านบอกว่าเขาส่งไปยังไงครับท่านถามว่าแก อ, อ่านพระไตรปิฎกไปเที่ยวอ่อสารับเที่ยวไม่ได้ครับสนับปีโอปีหลายเที่ยวออก็อ่านสมปีจบด้วย<อ>ท่องบางตอน เขอกกลับไปดูใหม่ด้วยหน้าไหนที่พู้เจ้าไปโพสต์ขันห้าบอกทางให้ผมไม่ไปดูครับโอ้โหเรียนจะตายมีใกล้แค่ขันห้าอย่างเดียวถ้าเปลี่ยนจำนวนแต่บุคคลบางพวกที่ฟังเหมือนกันไม่ได้ไม่ใช่อย่างเราเนี่ยเราพวกเราพู้ยาหม้อใหญ่ไม่รู้อะไรกินหม้อนั้นเนี่ยมาหนยมาหายมาหายก็ตายแหลก แค่แ้ขันวามีเอเดียวไม่มีอะไรมากเลยครับโอ้จะสาเร็จแล้วไม่สเร็จก็ร่างกายเนี่ยเอาร่างกายี่ไม่สนใจร่างกายเ่นั้นพอแล้วอ้จะบวชตามไม่นานก็ร่างกาย่งนะแค่เนั้นแหละจะมีลูกมาเรียนที่ร่างกายนะโอ้แม่ถ้าเจอวงพ่อตั้งตอนแรกตอนนี้ผมตอนนี้ใจขันไม่คนถึงตอนนี้เป็นขันสิทไปเลยเอาขันว่าีแหละไม่ใช่อะไรอื่นหรอกอ่ ตาซ้าหลบข้อที่เคารพอย่างสูงลูกมั่นคงในภารตฐนัตัยแต่ก็ต้องตาสาวนิดๆในเมื่อครบอ่ะนี่ตามไมบบ <c oughs> นเมื่อบนบในเมื่อกรมบุตรได้รรประกาศพยากรณว <c oughs> ่าแทนอะไรดินจะไหวดนินจะไหวจะมีผลสระบกระตทือนทุงกรุงเทพด้วยที่จะกราบเรียนถามนี่คือเรียนถามว่า หลวงพ่อมีอะไรที่ลูกจะเอาไปป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้น ไ, oh, ไม่อยากไม่อยากไม่อยากโอ้มีหละครับโอ้นย่เายแก้วพาต่อขึ้นอย่างนี้เองวยยพยายามย้ายจานเทพไปใช่ไหมโอ้ตอนนี้กำนังนำที่ดีที่สุดใช่ไหมไม่เอาใบจุงเทพอ อย่างนั้นจะย้ายไปอยู่วัดท่าตูงทั้สหุดเรื่องหมดราวเลยละนี่เฉยๆเลยเอมันไม่ไม่แคไหนต้องไปเสีไทยนะอย่างมากที่สุดกนอ้อยหักไอไอติดตัวไม่ตัวอะไรพ่อไปไปนอนไปนอนคอยึกฟังอะไรสิบสี่วันสิสองวันนะกูจะเป็นแบบนั้นแต่ลูกหลานแล้วพ่อสุกมากคนก็เราจะโง่ทไมเล่าเปลี่ยนขนัง่ออ๋อ ที่วันที่วันก็อยู่<ช>ได้ใช<ร> อ, อยู่ได้น้ i ตท้งเกลมน้ำไว้นะครับ อ, อห้อ ง, งตรงห้องช่วมก็สบายนะใช่ใช่อไม่ขอเราก็เก็บมาใหม่ใช่โอนไป <c oughs> วนมาอาตกลงว่าพี่น้องชากรุเทพไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลไม่นา น, น, นไม่นา น, น, น<ช>แล้วอ้ไม่นานใช่เพราะว่าชีวิตตกเลยว่ามีตึกสูงๆมีเยอะนั้นก็เออไม่ต้องกลัวดีกว่านะ ยังไงยังไงมีอะไรเกิดขึ้นก็เรียกหลวงพ่อช่วยนะคับฟังนี้ก่อนยังไงท่านพ่อครับฟงอุตุก็จะจะไหววันพรุ่งนี้วันนี้เปาพะทรเลยโอ้โหลบพรสวรรค์นึงนะพรวงแค่นี้ก็จังถามวันะขวัญ <c oughs> <c oughs> ลุยสีเลยหลงพ่อเจา้าขาแหมาของลูกชื่อนางหยก ประโยคุ์ซึ่งล่วงรับดับขันตายไปแล้วมาเท่าฝันว่าลำบากมากอันนี้ไม่สงสัยแต่ที่สงสัยก็คือว่าลูกตักบาตรปีละทยโยลูกถวายสังฆทานลูกตรวจมนลูกขอบรารมีพระพุทธเจ้าหลวงพ่อ ท, ทั้งทั้งที่เก่งสุดเก่งแล้วเพราะเหตุใด จ, จึงไม่สามารถช่วยได้ แสดงว่าลูกจะต้องทําอะไรอย่างใดยอย่างหนึ่งเพื่อสมพสญญาะคุณย่าขอหลวงพ่อดโปรดเมตตาแนะนําสิ่งที่ขาตกบก้ร่องในตัวเจ้าค่ะไม่ขาดไม่ตกไม่บอกพร้องที่ทํามาแล้วดีหนะครับใช่ดีทุกส่วทุกอย่างแล้วสมัยย่าแล้วคนนั้นเขายังไม่มีโอกาสโมทนาโ อ, โอกาสยังไม่มีโอยนี่ต้องรอโอกาสแล้วใช่แต่นี่ถามมาบอกฉ่นเลยเขามีโอกาสละโอ้เอาละเอาละ เวลาทำบุญก no no. <l ắng> so ็ตั้งใจให้คนเดียวไปเลยนะให้เจางเลขอทราบหากว่าผูีหลายๆคนผลไม่ค่อยวมมไม่แน่นอนผู้ที่สาบแล้วเจาะจงอ้กระสาบรีเลยใช่ใช่เจาะจงครับเอาต่อไปนะถ้าจะโทเคเราคนตาให้เจาะลงไปเลยนะครับไม่ได้สบายลาบธรรมกกานหลวงพ่อที่เคารพจะสูง ลูกมีความต้องใจเกี่ยวกับเรื่องอารมณโสดาอะไรปฏิมักโสดาปฏิผลว่าจะมีลักษณะแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรสมมุติว่าเวลาลูกบรรลุเป็นโสดามักโสดาผลนี้จะรู้ด้วยตนเองหรือไม่เจ้าคะเจ้ารู้ด <c oughs> ้วยตนเองแล้วพระเจ้าจนบอกว่าถ้าถึงแล้วก็มีญาณมันกองลูกบอกเองไม่ต้องไปบอกเลยไม่ต<อ>้องไปรอคนอื่นหรอกมันแน่นอน เ อ, อเอาเ ง, งี้แล้วกันจายกันห้อ่ครับถ้าบังเอิญเราจะไม่รู้เองนหละจะมีพระบอกแต่ไม่ใช่พระพระเนื่อนะแล้วพแบบไหนมีอะไรพระพุทธเจ้าจะบอกเองะ อ, อ, อย่างตอนหนึ่งหนึ่เจะได้กรรมฐานาาเอาเข้าใจกือว่าจะเป็นเกิทาทามีพระพุทธเจ้าจะบอกอย่างนี้เขาเรียกว่าโสดาบันละเอียด<อ>เทเรวิชีนะฮะอารมณ์คล้ายกัน เอ้แต่คล้ายๆจริงมากเลยนะใช่จริงๆมากเอางั้นก็ไม่ต้องห่วงแลวนะเมื่อบรรลุแล้วถ้าไม่รู้เองก็จะรู้จะไ้บอกรู้จะเจ้บอกเขอวั้สบายใจล้หลวงพ่อที่เคาลบอย่างสูงโอ้เมื่อเดือนที่แล้วหนูไปทำฟันในขณะที่หมอกำลังอุดฟันหนูอยู่หนู คน่ะเป็หนูี่หมอหมอทันตแพทย์ทันตหนูที่จะฟังไม่ดีนะเอาทันันทันตทันทันตหนูเลยเอาคนดีกว่านะลูกแล้วกันในขณะที่หมอกลังฝุดฟันหนูอยู่นั่นก็ปรากฏว่าหนูก็ใช้แบบสบัดหลวก็่อหนึ่งภาวนานามาพะสองจับภาพหลวพุทธรูกไปด้วยลูกมีจิตเป็นสุขมากแต่ทั่วกรเซียว ไม่ใช่หลับตาไม่ใช่ลืมตาไม่ใช่ห่วงนอนเห็นจริงๆเลยเจ้าสาวผู้ชายผิวสองสีรูปลอรูปร่างค่อนข้างทวง้วมไวกลางคนหน้าตาใจดีแต่ไม่ใส่เถื้อกีห้อยคอเส้นใหญ่ยาวมากสองเส้นเส้นหนึ่งเป็นรองคำเส้นหนึ่งก็เป็นหน้าก็มอมอ ง, มองดูลูกลูกก็กลับจะตกใจกลัว แต่เลิกอีกทีว่าเป็นลูกเหตุหลวงพ่อแล้วต้องไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นที่จะเรียนถามว่าท่านมาปรากฏในลักษณะอย่างนี้มาดีมาลายมาเพราะหรืออย่างไรขอหลวงพ่อได้โปรดไม่ได้ท่านมาดูว่าถึงเวลาตายหรือยังอ้ยาเออไอ้โกม้มก้มดูให้มาดูเลยตายเลยไหนไม่น่ามาเลยอย่างนี้เอาคุยจะมาอ๋อที่เรียกว่าเทวดาจสะสงเคราะหราบทราบทราบ ถามงั้นฉันไม่ทำฟันทีไรก็แบบนั้นน่ะฉันไม่รู้เรื่องอ่ะหลวพ่อเคยดูสมการมันก็เหล่านี้อ่ะนี่มันได้รู้เยอะเขาทมันเลื่อนคนเนี้ยมันฟันมันเสียวฟันทุบทำไมอ่ะปวดปวดหมอบอกจะเจ็บเขาจะเจ็บจะเสียวไม่บอกไป้อาบอกซื้ท่านเจียวเสียบอกเออไปแล้วไปเราก็เปิดแหนบไปเลยเหรอครับเหมือนก็หลับแต่ควมจริงแล้วกายเหมือนหลับแต่ใจไม่ได้หลับก็เที่ยวไปคุยใครกับใเรื่อยเรืยเฉย ความรู้สึกทางทางใช่ไหมเลิกกันออกนี่เวลาเจ็บขอเท้าปวดแล้วก็ย้ายย้ายรูปไปไหนที่ไหนได้ใช่ย้ายเข้ส่งนี่เลยได้วิธีใหม่แล้วอาวสาวสาวก็เป็นนั้นว่าที่เห็นนั่นก็เปเทวดานะใช่ใช่มาหลวงพ่อจะได้เจ็บน้อยลงไปหน่อยอ่าวลาบสมรมสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง อม็มีวันหนึ่งพลาดไปถนัดรเกี่ยวกับเรื่องเตรียมตัวที่จะใส่บาตรละบังเอิญตื่นสายไปนิดหนึ่งพระก็ไม่มาก็เลยเอาไปถวายพระอีกวัดอีกวัดหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกันรพระโกรธเาะพระไปสันเนนพนรอบวัดหมดดังนั้นลูกเลยต้องเอากลับบ้านมานั่งมองอยู่ตั้งนานว่าจะกินเองก็เปรียบว่าจะเป็นโทษให้จะทิ้งไปก็เสียดายเลยลูกเอาไปถวายพระพุทธรูปสิบ้าน ถ็จแล้วก็ามาทานเองอย่างนี้จะมีโทษหรือเปล่าเจ้าคะไม่มีมีตะคุณมีตะคุณเหรอเขาตั้งใจไปทำบุญแล้วมันมันเป็นบุญแล้วอตัวตั้งจับทินใจนี่นะทราบทราบราตั้งใจถวายก็สงฆ์เมื่อก็สงฆ์ไม่อยู่กลับมาถวายพระพุทธใช้ได้เลยได้ท<อ>ั้งสองทางพระพุทธานุตติสังฆานุตติอรรถทานนบรมีโอได้่คือบางคนไม่แน่ใจแหมตั้งใจจะทําบุญมากินตัวจะมีโทษมีอะไรอะไรนะใช่ แมกว่าจริงน่าจะขอแล้วส่งไปสนนี้ไปก็ยังจะดีสวัสดีครับหลวงพ่อขาหลวงพ่อที่ก๊อฟยางสูง อ, อลูกเองไม่สามารถที่จะให้ความสว่างแก่บุคคลอื่นได้คือว่าคนเขามาถามว่าอย่างนี้ว่าการบูชาพระ บ, บวัวเข็มนั้นจำเป็นจะต้องหล่อน้ำให้ท่านลอยอยู่ในน้ำถึงจะถูกต้องถึงจะได้ผล ลูกเองให้มีความเข้าใจในเรืนน่องนี้อยากขอความสว่างจากหลวงพ่อว่าควรหรือไม่อย่างไรจึงจะมีผลสมบูรณ์แบบเจา้าค่ะแต่ความจริงคนถามนี่มีความรู้แค่ฉันแล้วนะอ้าวทำไมครับหลวงพ่อท่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต่ <c oughs> อไปก็หายไปเลยใช <c oughs> ่มีความรู้เท่ากันแล้วรู้เอามาจากไหนเลือกละบงโปงโบงเข็มลอยน้ำเหรอโอ้โหคด ท่านยนท่านสมาชัยตลางอยูเดียวทะุปพุทธเบกเขียนี่องเดียวกันหรอครับองเดียวกันงนั้นเรื่องเป็นยังไงขอสังนิษตุไม่รู้อะแม่เาจะเอาจริงๆบอกไม่รู้เลยใช่เขาบอกคุปปเขียเราอาจารย์ากเราทะเลนี่เรียนแก้วอยู่ใช่ไหมเขาเลยทำไปฆ่าโบเขียนมาทำไปโบคว่าควาำคุมหัวอยู่มันเป็นเรื่องข้ามาเข้ามาคิดขนไม่ใช่ไป่ใช่ไทยแลนด์นะไม่ใช่ไทยแลนด์ จะเรียกวาเก่งพ่มาอะไรศาสตรบกเรว่าจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำศาสตร์กตาก็ไม่จำเป็นศาสตราตรเอาจิตเป็นใหญ่กันแล้วกันบูชาถึงขั้นก็แล้วกันนะาสตาสตรยืมว่าพระบุคคลที่เป็นพระสงฆ์ไม่ใช่ของทัรโอ้ังงั้นเหรอเขาใสจินหมดเลยโอ้ไปตั้งแค่นเดียวพระพุทธเจ้าโอ้ไม่ใช่ไม่ใชนี่ขันข้าวกันเองแล้วแทนเมื่อขันแทนองคุตเนี่แล้วก็ทำแทนองคุตกราบทรา พระพ่อหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงก็ผมค่อยขอาการเรียนถามว่าวันพุธวันิเศษกี่4สิงหาที่วัดท่าทุงจะเริ่มสักกี่โมงแล้วพิธีนี้ถ้าลูกจะเข้าร่วมพิธีด้วยจำเป็นจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างเพื่อให้ถูกต้องกับวิธีการของวัดท่าทุงก็รักเริ่มประมาณ6โมงเย็น ที่เตรียมไปก็เครื่อหนึ่งุ่งกางเกงและนุ่งผ้าไม่นุ่งกาจเิงในก็ได้ม่กะเกงนอกก็ใช้ได้ครับโอ้ลอียละเอียดละอดะอเสื้อให้ดีครับค้ัให้เดินให้เรียบร้อยครับให้ดีลูกค้าไว้จนหน้าวัดโอไม่มีอะไรมากพิพิธภัณฑ์ครับออกแต่งกายก็ไม่ต้องขาวแขวอะไรก็ได้ใช่ใช่จีอยางนะคลีสตล์ก็เลมีบทบาทมากในวัดนี้ อ่าไปแรงว่าถ้าจะเข้าพิธีก็ต้องไปก่อน6โมงด้วยถ้าเริ่มก็ต้องปิดประตูเออจะจะติดแต่ใจเมื่อคราวที่แล้วที่เสกพาะมหาลาของข้าวโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาเขาเสกกม่มีพระแล้วมาสีห์ออกโศกโกฎูดโกฎูดเขาลงข้าเดียวเลยแหละสบายไม่หูไอ้วงวิววิวทันจิตโลกแวะพระช่ลงทั้งัด บ อ, อกวิเวียนตลอดชาวบ้านโอโหๆ een, ๆท oh. yeah. okay. uh, oh. ี่เป็นทานยัดตัวโอโอมที่นั่งปลบที่เพื่อเพือเลยนะใช่ไปทานรอบพิธีว่าท่าสุงทูกล้องแล้วนะใครเข้าพิธีนี้จะได้ไปโุ้งซุ้งไม่คยมีเสียงโอแต่เห็นทรงจอดมีเสียงไ้ยกช่ใช่าอยแพร่เฉยๆทีสองทีมีเสียงโอ้นอกจาขึ้นมากระทบเตียก็เสียงไม่ดังมาก ใครใครจะไปก็เชิญ น, นะวันที่ยี 4, ่สี่หกโมงเย็นเป็นต้นไปพระพ่าหลวงพ่อทิ่เคารพอย่างสูงล้ะผมปฏิบัติเป็นประจำดังต่อไปนี้และได้ผลเป็นที่น่าพอใจคลือหนึ่งเวลาปกติผมเวลาสวดมนต์ผมจะเอาเหรียญทาน้ำมนต์ของหลวงพ่อวางไว้บนหัวศีรษะ แล้วเพราะว่าสถายอิปีโสเจ็ดจบนมาฟาทะสิบห้าจบผลปรากฏว่าอาพาธโรครัยไข่เสร็จวันเทาแล้วก็หายไปโดยไม่ต้องกินยาหาหมอเมื่อได้ผลอย่างนี้ก็ผมอยากจะขอถวายแนะนำว่าให้หลวงพ่อทดลองดูบ้างบางท่งลุกพ่ออาจจะหายป่วยโดยฉับปันก็ได้โ อ, อ้ แต่เขาวางสูงนะอาตูไม่เหรอครับสูงเขาวไว้บ น, นหวัวที่สามนี่ครับวันนี้เล่น ล, ลาชาสับมาสองสับเลยนี่สอ้โหไอ้ราคุ้ฉันนะ่ะสัสใช้สมุนเสม อ, อแต่อย่าลืมว่ากำหนดเวลามีอยู่ที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าติมทันวาหมายถึงว่าทันวาทันวาน้าเนี่ยถึงแล้วมันสองทันวาเนี่ยต้องรักษาสองตื่ ขอโลกขายใครเกิดถึงจะบัดตร้าวใครมาเรื่อยๆเนี่ยเขายังขายมาเรื่อยๆมันข า, ายมาเยอะแล้ว อ, อย่าลืมว่ า, ากรารกดข่งกรรมเก่าทำไว้มากมีรเศษเล็กน้อยไม่ใช่การนิ่งที่จะสิ้สอ2ลูกนี่จะหนีเจ้านี่เจ้านี่ก็ตามทวงเพราะช่างมัน แล้วที่บอกว่ามาเร็วๆที่อะไรอะไรหนังหนังเท้าพองอะไรขึ้นมาหนังเท้าของใช่วันออเข้าภาษาเนี่ยบอกว่าอยู่ๆมันพองไม่สวยอ่ะไม่มีล่ะก่อนจะไปเข้าภาษาก็ไม้กิ้นฟันมาแทนแทนเท้าที่พี่ก็ได้โอ้ล้วมาต่อมาเข้าองที่บนเนี่ยใช่อันนี้เป็นบาเรามีอะไรที่หลวงพ่อไม่ใช่โลกไหลออก เราไหลลงล่างเลยพองๆก็เป็นน้ำๆปรากดแเปะก็แตกหายเบาท้ลเบาครับครบแอแป๊ะนะะแหมจะไดยพูดชานะถ้าถ้ามันมันต่งมเดียวก็หนึ่งว่าแปะกแเป๊หมาถ้าพูดแล้ววันนี้คงจะหมดแล้ววันี้ก็เป็นอันว่า ใครจะลองทำดูก็ได้นะเหรียนสารน้ำมูกถ้าพอมคำจริงเขาตามแบบจะบับว่าไว้ในขันแล้วก็ใช่อลักษณะนะใช่อันนี้ก็ดีเขาตั้งใจดีเขาได้โอ้ดจะให้สัติ์ปิดทวดที่เวทก็เอาไปจ้างสัาชญกรรมนาผ่าแล้วก็เาหรียนสารน้ำบอกโบกเลยยกผมจะลองทำเป็นคนแรกดูนะเพื่อจะได้ผลไมช่นาพอใจว่า่ เออทุกอย่างถ้ตั้งใจแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับลาท้าหลวงพ่อทุกข์รบอย่างสูงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองลูกไปซื้อกุ้งจากตลาดซึ่งมันตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่เอามาถึงบ้านก็แกะเปลือกกุ้งแล้วก็พาหลังกุ้งแต่ละตัวแต่ละตัวก็ปรากฏว่าตัวสุดท้ายอ่ะเมื่อพาแล้วมันมันกระโดดแหววลงไปซึ้นก็แนวก็แนว แล้วก well, ็หยุดแล้วก็ตายไปอีกวาระหนึ่งลูกมีจิตรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันคงจะมาบอกผมว่าให้ทําบุญทํำกุศลอุทิศไปให้เพื่อนเื่อมันด้วยนะมากราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อว่าการทําบุญกุศลอุทิศให้กักุ้งจะต้องทําแบบไหนถึงจะถูกใจกุ้งขอรับโใ้กุ้งกุ้งต้องสร้างคาลังกุ้งกุ้งทำแ้วนี่างโบสถ์สร้างโบสถ์หรือครับ สร้างโบดความกว้างสามวายาวสักิองวาเรียกว่าไปการอที่สุขส่วที่ถูกใจไม่โตโอ้ไปสวรรคสังฆทานเยอะแยะไปแล้วการสังสังฆทานถือว่าดีที่สุดแลยนสูงสุดแล้วอ๋อสุดนเออใครที่ขาดสัตสิวิสนะทำบุญอย่างอื่นไม่ตื่นใจไม่หายไม่โอ้โหสิก็ลองๆองสังฆทานดูก็ได้ ไปเจอคืนนี้องรพันะละสามคุณรับรองเลยเลย ก, กลับ่าทุนหมดอ้าวครับทาลงไม่มีแม่นี่นีนี่นนนลยนย น, นี่ไปวัดท่าทุงบอกเอมื่อวันาที่แล้วบอกมันเอาไมา่อยู่อะทำทำตัว ร, ทรปทงหัวสเก็ด บ, บอกนี่ทังไงถ้าอยากทาลดเลยนะเมรบุบอกเออสิมาวัดท่าทุงเรื่องตกตกรถเรื่องเล็กผลปรากฏว่า ต, ตก ตามเป้าหมายไม่ได้โชคขึ้นไม <laughs> ่ทันทำบุญทั à, th ้งหมดทั้งหมดตัวเลยเอดีแต่ว่าโชคดีอะไรลูกไหมแกมาอธิษฐานแบบที่ละหน้าโบสถ์โบสถ์วัดสงสุงอะบอกว่าถ้าแต่ลวงพ่อโบสถ์วัดสังสุงปัตนี้ลูกจบรถแล้วจะไปขอเงินหลวงพ่อก็เปลงใจแก็เลยมาขอพระในพระพุทธเจ้าที่อยู่หน้าโบสถ์ให้ช่วยช่วยสองข้อให้กลับได้มันก็เจ้ากรรมจริงๆ ไอ้คนที่จะกลับกรุงเทพไอตอนไปไปกันหลายคนแล้วไอ้ตอนกลับมันไม่กลับออค้างวัดข้าวซุงอแกก็จะกลับคนเดียวแกก็ตัวแกเลยก็หาเพื่อนกลับแกเลยก็มาไหว้ที่โบสถ์วัออด <c oughs> อัสสัตอาสัจจันทร์จริงๆทำไมข้าแต่หลวงพอโอยมีคนไปกรุงเทพด้วยเพราะว่าไปคนเดียวมันตัวโยนตัวนี้่ไอ้คนนั้นเองก็รังไหว้แกก็เข้ามาในศายเจ้าว่าไหว้ทำไมบอกหาเพื่ อ, อนกลับบอกเออใช้ก็ไหว้ กรถ奥迪เลยผมกุดท้ายเขาก็เลยพามาส่งที่กรุงเทพนี่ผมกำลังจะเอาบ้างเนี่ยต้องไปไหว้ที่มันดูตจงตกรถเองนะตกรถก็ได้ตอบไม่เป็นไรครับถือว่าโชคดีนะโอ้ยางนี้ก็เลยว่าอนุกการทำมุนหมดตัวก็ถือว่าทำมุนสูงสุด อันนี้่ใเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะไอ้สงมากมั้งการทำหมดเรื่องหมดตัวแล้วใช่แต่ไม่ต้องถึงขนหมดแบบนั้นเราทนาเกว่าเรากันค่ารถไวแล้วกัน่าาไแล้วนะรับหืออย่างนั้นทำบุญทั้งหมดแตการสุนีวายังเหลือทำบุญหมดตัวอันนี้สขหมดจริงๆไอ้สูงๆมากมั่ก็ได้ผลแหมปัจจุบันทานได้ปัจจุบันด้วยนะไอ้สูงสูงจัดหายากเวลานี้ก็ใกล้ทีทุกงเลนะอ้าวนี่ก็ส่มทครึ่ง นี่เลยที่สนาทีสี่สุ่มจ้ากสายก็ต้องไอหลังนี่ต้องต้องตบก่อนนี่ดิมีทีแก้ขวานขวานนะครับต่อมาเขียนมาอย่างนี้นี่ใครอยู่ก็อยู่ไม่อันเดียวกันเหรอคุยด้วยกันแล้วกันโลคีให้ใจใช้อยไอเนคีกนะรแบนนะก็อย่างนี้เจ้าค่ะ ลูกหลานอยากจะทําบุญหรือจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสนองคุณท่านให้หายโดยเร็วเๆและฉับพลันขอคําแนะนําจากหลวงพ่อที่เมตตาแนะนําเพื่อในการจตันอยู่กตเวทีสักครั้งเถิดเจ้าค่ะลุงบอกให้ปล่อยปลาปล่อยปลาเลยครับโอ้อครับลุงตอบทันทีโอ้ลุมานาแล้วผมมานานนที่สาวตัวนี้ไ่้ไหมฮะ ให้แดงๆนี่ชุดเดียวโอแหมฝากไปนะว่าท่านที่จะกะันดูกะตะเวทีท่านจะร่มเสริมกําลังป่วยป่วยขนาดนี้นะล่อยปลานะท่านก็ทานด้วยเลอยปลาท่านนะนปลอดภัยจะร่มเสริมที่ท่านไม่ตายในห้าร้อยปีจะอยู่ได้ห้าร้อยเนี่หละครับถ้าไม่ตายนะโอ้มีมีวมเล็บเลยเหรอนนใช่ใชครับแหมเป็นห่วงท่าน ไม่เป็ไรไม่เป็นไรครับรถใหญ่เท่านี้เท่าดี้ต่อไปไม่มีโอ้คหลวงพ่อเจ้าขาเมื่อเดือนที่แล้ววันฉลองพระเจ้าพิเจษทรงมหาราชวัดพ่าทงลูกจะมีโอกาสไปแล้วก็เวียนเทียนรอบกุราเมณีพร้อมด้วยลูกพระเจ้าทรงมหาราชในขณะอุเวียนเทียนนั้นปรกากฏว่าน้ําตาของลูกไหลร้องไห้เอาไม่อยู่เสืึกเสืออื่นเป็นอย่างมาก ครั้งๆที่ตอนนั้นไม่ได้มีปีตรงปีติอะไรเลยแต่ก็ประหลาดใจอาการอย่างนี้ได้เกิดขึ้นลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าในขณะนั้นพระเจ้ากรมมหาราชท่านตกเฝ้าอะไรหรือทําให้ลูกต้องร้องไห้ตามท่านไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ในปีติปีติเหรอครับเจ้าของไม่รู้ว่าปีสิเจ้าขอยินว่าปีสิอ๋อไอ้ก็อึดก็อึดน้ำหมูน้ำตาไหลใช่ไหมใช่ใชปีติที่สองเลย คนความสวยงามเจ้าตำตาไหลร่างกายโยกยกถือว่าเป็นทั้งรับรู้เก่าด้วยกันใช่ไหมใช่ชนะข้าศาึกด้วยกันก้าชสู้เชื่อชาติไทยก็ทั้งแรกก็ยังเป็นพระเจ้าสมหาราชหรือกว่าเป็นเป็นต้นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ประเทศไทยไงั้นนะไม่ใช่ต้นแล้วเป็นอะไรต้นกษัตริย์กว่ายังถึงพระเจ้าคุณนี่หกสิทธ์ตแหน่งกว่าเราคือราชกกว่า แต่ว่าไม่มีสงครามมันมีสงครามสมัยพระเจ้าพังพ ร, ราชอมอดอแอเกินไปใช่จหมใช่ที น, นี้ขอดมดำมันก็กำเริบที่จะยจดนประเทศไล่คนไทยโอ้ก็ไล่ไปอยู่ที่เมืองีทองยังพิตรงได้หมสายใา่พระเจ้าพงศเกิดมาถึงอายุที่สองปีก็สั่งพ่อบอกเลิกทรงบรนณาการ เตรียมขุดบ่อน้ำกว้ว่าถ้าข่าวถึงมาลอมเมืองใช่ไหมใช่ จ, จะได้มีน้ำาืินเตรียมการร้เต็มที่ล้วได้แข้งสายกระไกลมาดทหารเป็นผู้นำใช่ต่อไปเขาพยาพรมก็สร้างบุญบา ร, รมีหนนะักสร้างยังไ<ร>งต<ร>ีแหลกแ ร, กเรงเลงปวดกวดเจ้าตะสันทายขึ้นไปถึงเมืองเสียงแสงเท่านนะไปในเมืองโสภีมันหนี่าทุ่งย่าง องทาบยื่มาสามวันต้องสั่งยั้งให้กินข้าวยั้งตัวกินข้าวเมื่อเช้าพ อ, อกินข้าวทีเดียวยื่นแล้วไล่ตีต่อไปสบบร้างบุญบารมีมากน<อ>ั้นฐันอาศัยที่เป็นลูกศิษย์พระเจ้ากรมนี่ตอป่วยมากเนี่ยตอนทีงพ่อเป็นปลูกศิษย์พระเจ้ากรมเลยป่วยตามพระเจ้ากรมไปเรื่อยใช่ใช่ใช่กธิบาย ก็แสดงว่าคนที่ร้องไห้นี่ก็คงคงจะหุ้นสวนในสมัยนั้นไม่ได้โว้หุ้นแง่แง่ที่งเลยล้วที่นั่งก็สอบกษาเนี่ยก็แง่แง่อะไรแง่แง่โอ้กิ i หัวเผือกหัวมันไม่ได้ใส่ไอติมเขาลออกจาเมืองไม่มี้าวจะกินกินหัวเผือกหมันต้องทำกระทาใหญ่ๆกันในไรจะมาผสมจิกกันนะครับเจ็บสวยตองทำต้องเล่นต้องทำทรงสวยเขา ถ้าเศรษฐีใต้ในคนไทยอยู life, u, ่แค่ไหนล้วล่ำเข้าใสเขาไม่ได้ถ้าอยู่ในเมืองของเรามันไล่กีไล่ฟันที่ความเจ็บใจของเด็กก็มีอยู่ใช่ไหมราบพระเจ้ากระหมอราช็นีแม่ทัพชาวร่าายุแค่สิบหกปีโอ้โหยังหนุ่มเที้ยวเลยนะยังไม่ทันหนุ่มดีที่ผกยังไม่หนุ่มเลยครับคิดใจเท่าทึงหนุ่มอ้โหหนึ่งแปดเอาให้เข้าล็อกก็ได้ c ต่ก็ดีนะการตีแค่คนนั้นอ่ะดีอย่างไทยหลวงพ่อพอไปถึงสัจนาลายได้เมียเลยแม่เจ้าแววพระเจ้าพระเจ้ากรมได้เมียเหรอครับได้เมียอ๋อเขาตีเก่งนะได้ทั้งเมืองทั้งเมียเลยนะใช่ใช่ได้ส n งหมออ๋อแต่เจ้าชู้น่าดูแม่พระเจ้ามนี่ไม่ใช่เจ้าชู้เายกให้เอง ก็มีพระอรดุลังเขาบอกว่าในเมื่อถึงศีรัะนาลายรอบเมืองเขาเขามายอมให้ผ่านเศษเราจะไล่ขอมขอมมันก็วิ่งหนีไปใช่ไหมคราบครับถึงศรีรษนาลายเขาตั้งพับกันเลยไม่ยอมผ่านเศษเรวต้องรบกันครับในเมื่อกำลงังของเรามากกว่าเพราะเมืองเระเมืองต่างๆที่ทราบว่าเราไล่ขอมใช่ไหมกราบเขามาสู้เพื่กํลาลังมากกว่าเขาเลยตั้งทหารรับประเทืนเพื่ให้ออกมารบ Oh. แต่ว่าเขามีเปิืนนกสัตว์อีกเราสองร้ก็ บ, บอกเราไม่มีน oh. ี่สต่หานหัวเมืองเข้าเป็นอาสาตีตายไปหลายคนเ oh. จา้าพขาเป็นสั่งไม่ต้องตีล้อมแบบนี้ให้มอดข้าวเองไ oh. มยอมเองเห oh. ็นท่าหลายวันเขาก็มีก็วพวกโวง่เงินั้งแต่หัวหนนะ้าละแหละ เป็นพระธรรมนิชพระพยานท่านทราบว่าพระเจ้าคองก็ลูกสาวพระเจ้าเมืองเนี่ยใส่ผู้กองมันใช่ก่อนถ้าบอกพระเจ้าเมืองยกลูกสาวพระเจ้าคองเสียเขาก็เลยสงครามเขาก็ยกให้เขายกให้แล้วพระเจ้าได้อมเดียวใช่ที่ได้จาเมืองใช่ไ่ได้มเมียด้วยเรา้ได้มเมืองเลยว่าได้ต้องสองมแหละได้สงมอ๋อพอเขาให้มเมียแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตีกันเลยเ้าก็ได้มเมืองด้วย อช่ใว่าัแล้วแล้วชื่อชื่อของมอมอที่สองนันชื่ออะไรครับปุมววดีปุมวดีนะโอ้ไม่ใช่ปุมวันจำได้ตอนนั้นเชือเปอนจ่าเร็วเฮ้เดี๋ยวเร็วอยู่แถวหน้าอยู่เสาหลังนะเร็วแค่อช้ากอชาโอ้มันคงจะเป็นอันสงศ์ตอนนั้นถึงได้ผ่วจะาตอนนี้นะมันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวไม่หลายชาติ พยายามชอบไปจีดให้การสงครามในค่าสัตว์สี่ตัวใช่ไหมต้องฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าเลยด่าไก่เลี้ยงอาหารเนี่ยมันเยอะแยะอไอ้บาปเนี่ยมันมันเต็มมาตราของฉันเนี่ยแต่ช่างช่างไม่ได้แล้วถ้าเอาแค่นี้ก็บนตัวแล้วเอาแค่นี้มันเาไปให้กูในวิชาเนี่ย โอ้ทีนเล่นหลบไปเลยหรอเนี่ยไม่หลบมือเยอะๆอ้ครับนั่นก็ลูกหลานคุจะภูมิใจนะไม่ใช่นี่จะเอาไงกเอาไปมีเรื่องนี้ถูกฟองแล้วมาไล่แล้วโอ้สิเหลือไปได้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ t ช่ใช่ใช่ใ่ใชใช่่่ ในเมืลล่อเราใช้ยถากรรมตาญาณเราจะทราบทันทีว่าป่วาายแค้ส่วนใดเรื่องมันเกิดเพราะอะไรเป็นตัวภายหลังเมื่อพับอ้อเราทำเขาอย่างนี้เวลานี้เราได้โทษแค่นี้ไม่เราฆ่าเขานะป<ะ>ัดนับพันปัดชุดนั้นนะป<ะ>ัดแล้วเราก็แค่ป่วยไม่ถึงตายถ้า<ะ>ต่อมาตัวที่เกิดอยู่หลาชาติจกเรียผมหลายชาติปรยถึงตอนนี้ด่าทุกชาติ แล้วบุญบารมีแะทาติปรัด้าจะซักจำนวนคนที่ตายไปรักเลยแสนหน้าเรลามาถ้าสุดท้ายไม่ป่วยหนักขนาดนี้ไม่ใช่นักใ่ป่วยเบาีนี่ยังเบาเลาเนี่ยป่วยถึงตายอย่างแข็งอย่างใจแข็งนะงั้นตราลูกหลานใครเจ็บใครได้ป่วยนะ พานึวกว่ตัวเองลาบากแนละให้ดูลุงก้อเป็นตัวอย่างนะก็ชาเจ็บไข้ไดเดรัจยก็พตัวฉันว่าเราฆ่าข้อมกันมามากอเราฆ่าศัตรูเพื่อเป็นคนไทยนั้นเอ ง, เองก็มีมากทแข็งเมืองรเราฆ่าเขามากจนเ ข, า, ขามามากมันทวงแค่นี้ช่างมันก็ไปนิพานดีกว่ากลับคบตกลมก็ไปนิพายนั้นชาตินี้รุ่นหลังพระบินสบายกัยยบพุงมีใครใส่บาตปนิพายนั้นหมด นห่วมว่ามีก่อนไม่ใช่แขวะว่าแวงก็จะได้อ้าวไม่รู้เลยนะยายถากำรตายานนะนี่พวกเราเคยทำเขาไว้หลวงพ่อจเจ้าสาคือว่าลูกตั้งใจว่าวันเสายันกรอบเพชนทรงก็เเสาห้าที่วัดท่าสงลูกจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่แล้วก็จะนิมนต์กายทิกของหลวงพ่อมาทำพิธีปรดป้าย ไม่ทราบคุณพว้ไอ้วันเสาร์นี่เขาไม่ขึ้นบันใหมเตั้งห้านะพั้งห้าเห่อครับใหญ่นะมันเป็นวันแข็งเขาไม่ทางานมงคลประเทศนี่นะเยื่างกันตกต่อ๋อเอาเรื่องไปวัอาทิตย์วันศุกร์ก็ได้สิเอาเอาเอาสักก่อนมาวันนกใช่ใช่โอ้ยาไปทาไม่ดีนะเขาตายจิตนึ้ว่าวันแข็งแขงวัลา เ้าเชื่อใจว่าก็ปากแข็งตั้งตทะเลาะกันเลยโอ้ชโทษฉันไม่ได้ประเภทเช้าตู้เย็นตับนะใช่ใช่างการปกครองให้เปลี่ยนวันสุขร์งั้จะเอาสาวห้าที่จะเดือดร้อนสามเ้าเอ่ยวันสุกรับตกพระแบบจะไปไม่ทันดเลยอ้หลวงพ่อเจ้าาเอ่อในขณะที่ลูกเจริญก็กรรมฐานเดี๋ยวก่อนวันนั้นเอาวันจันทร์จะดี วันจันทร์ละครับอ๋อวันจันทร์อาชื่อชื่อชื่อชื่อป๋อมเนอะคนชื่อป๋อมนะจำนะอาวันจันทรนะ์นะลนะาเช้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอ่าคือว่าลูกนอนหลับบางวันแต่พอตื่นขึ้นมาลูกก็จะเริญภาวนาต่อจะว่าฝันก็ไม่ใช่จะว่าอะไรก็ไม่เชิงคือว่าอย่างนี้ เห็นท่านหมอมศีวกโกมารพัฒเป็นลิมิตออกนิกริมลิมิต น, น, น, น, นะใช่ใช่ใไม่ใช่ันนะใช่ใช อ, บอบบพระบ า, าอ๋อท่านมาแนะนำว่าขอให้ลูกขอให้ลูกอย่าเดือดร้อนต่อไปเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ขอบารมีหลวงพ่อวัดเท่าซุงไว้เป็นที่พึ่งทุกอย่างจะเรียบร้อย วัดท่าซงมีบารบมีมากโลูกเห็นว่าหลวงพ่อไม่สบายไม่อยากรบกวนแต่สองสามวันนี้ไม่ค่อยดีเลยขอักระชงเถิดเจ้าพ่านี่ไม่รบกวนนะหลวงพ่อนะจริงเขาไม่รบกวนก็ขออ้กระชังเดียวนะแล้วต่อไปอีกระชังจับ <laughs> <c oughs> แบบอาหารจานเดียวหรอวาใส่ใหลากหลายเลยร้า ีเจ้าหนึ่งนี่ก็มาตัง้งแต่กลางวันไม่ทันเพราะว่าหมดเวลาเรียนถามหลวงพ่อนิดเดียวตรงที่ว่าคือว่าหนูได้ซื้อที่ดินแเสมอเอิญที่ดินแปลงนี้มีสารตะคู่มเดิมอยู่อจะเอาออกก็ไม่สบายใจจะไม่เอาออกก็ไม่ได้เพราะว่าจะต้องปรับปรุงใหม่เรียนถามหลวงพ่อว่าลูกควรจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโทษทั้งสองฝ่ายกัะท่านนี่ฉันรู้แล้วตอแต่ตออ็กสมบุญรู้แล้วหลวงพ่อเนี่ย ดูแลเมื่อคุยกันมาคุยกันท่นท่นทนรงตรัสว่าไงคับนบอกว่าจะย้ายก็ได้จุดพูดบอกก่อนให้บอกพันเอกสีพันนะรู้เรื่องกันโอ้พันเอกสีพันนะใช่ใช่ใช่มันไ่อไรทราบครับอ่าก็ที่ลูกศิษย์ลูกศเมื่อทรัสเองจำได้ตรงอ่าผ่านไปหลวงพ่อเจ้าขาถว่าเอ่อลูก ปกติไม่เคยฝันเลยแต่เพ่อเมื่อเร็วๆนี้ฝันนิดเดียวคัวหลวงปู่ฟานเนี่ยท่านมาหาลูกท่านเอามือชี้ไปกหม่อมลูกแล้วเป่าคาถาลงบนศีรษะลูกมีความรู้สึกสูกใจเป็นอย่างมากแต่ที่จะเรียนถามก็คือว่าลูกควรจะปฏิบัติธรรมธรรมะแบบไหน ซ, <ไ>ซึงจะเป็นที่ชอบอกชอบใจของหลวงปู่ต่อไปจะพาไอ้ที่ทำจะดีแล้วอทำําเดิมไม่ให้นท่านไม่มาขอร้อรอ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 อยากจะเรียนถามว่าจะปฏิบัติธรรมะแบบไหนจึงจะเป็นที่ถูกใจช้างา <mm> าเจ้<ห> า, าค่ะเอาแล้วคือเขาได้พิุกเล่มใหม่มาแล้ว <mm> ปฏิบัติตามากเดิม๋อ้อที่จิตมันวิ่งไปแค่จะเป็นลมนะเพราะว่าทำทีแรกลมหยาบ<อ>การเจริญกรรมฐางกันลมหยาบหายใจแบบอย่างแรงเท่ารั้ ง, ง, ง, ง, ง, ย, งยาวๆเล่นอาหารนะ โ้ก็ใจระบายลมหยาบไปอย่างนี้จะไม่เรโยแต่ก็เป็นฌานเลยนะจิตเป็นฌานเล้ะฌานช้างนี่จะเกิดตายก็คงคงเป็นช้อดีฌานช้างไปเลยอืมอับออืดตัดอืดัดที่เกี่ยวกับเรื่องลมหายใจยงยาบนาปายลมหยานาปลายาไปเพราะฉะนั้นก็จาเป็นจะต้องแก้ไขให้ใจยังตต่อไปสาธาหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ลูกได้ซื้อบ้านจากสันเมื่อปีสามศูนก็ปลากปดว่าตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้แล้วเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเช่นพเลาะบอกแว้งเจ็บไข้ใด่ป่วยโภคลาบต่างต่างจงมีอะไรอะไรคนไม่ค่อยจะดีไปทุกอย่างไปหาหมอหลายคนว่ากันไปต่างๆนานาลูกพ <izo S 1> <laughing> ึ <câmera> ่งหลวงพ่อ <lar> ดีกว่าเพราะยังไงยังไงหลวงพ่อเขาเมตตาลูกอยู่แล้วเออเต็มที่เลยไปแล้ บ้านถวายวัดสระสุขนะโอเปน้าว่าแก้ปัญหาเรื่องนี้คือเอาบ้านถวายวัดเหรอได้ใช่แล้วปัญหาหมดไหมหมดสิก็<อ>ไปอยู่ก <laughs> ระสอบจะมีเรื่องหมดเรื่องหมดลาวไปเลยนะเ น, นี่ย<ะ>เอานี่สิจะให้เขาหลวงพ่อครับให้หาพานเอกซื้อแผงเขาไปดูโอ้แล้วจะเจรจากระเทวดาที่นั่นได้นะ คนนี้จะพูดกับเทวดาได้คิดว่าคนนี้จะเล่นจี้แดงแค่เหรียญโอ้คนนี้มีความถนัดในเรื่องนี้นะถนัดมากเสาละต่อไปอีกแล้วเขาติดต่อเทวดามาได้เลยสาปีแล้วคนนี้เหรีใช่โอ้มีเงินก็ตั้งสรเริมก็พึงูมอะไรก็ได้หมดนะตั้งไม่ได้แต่เชิญได้อ่าแค่อันเดียวก็เหรียญตั้งมาเชิญตั้งมันต้องตั้งเสาหุดหลุมพวกคุณเลยคนแก่แล้ว เลวลาซื้อก็ซื้อก็จะเกินไปแล้วไม่ใช่ซื้อพูดทำภาษาไทยใช <c oughs> ่ครับดีแล้วนะเราได้ลูกหลวงพ่อเป็นที่รักใครเกี่ยวกับเรื่องสารก็ภูมิสงสัยแล้วก็ถามแล้วก็เชิญไปตั้งได้ไม่เสียตังค์ครับแสนเจ็ดผูกไว้ก่อนเดี๋ยวจะตั้งนี่ไม่ต้องจ่ายแต่คนนี้เด็ดขาดให้แต่แบงค์พอแล้วโอ้สันโดดตรงนันหนาดนั้นจช่ใช่ใช่ใช่หมัดน้อยโดดย์ ถ้าตังไปเอาตะแบงเนี่ยอ่าหลวงพ่อกรับแล้วผมฝึกพโนมายิฐได้แล้วมีความศรัทธาอยากจะบวชที่วัดทราทุนทรเกตวันแตนี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าบวชแค่ตัวคราวเจ็ดวันเอาหลวงพ่อจะเมตตาอนุญาตหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอไม่คัดคอแต่เวลามาเป็นหน้าจะเป็นหน้าสอยนนะที่วัดพระสุนทเนี่ยเหรอใช่เรไม่ได้เบี่ยงพวไม้่อน ยิแมว่าจะได้แล้วก็ต้องซ่อมก่อนถ่ายก่อนแล้วศึกษาระเบียบของไรก่อนแค่วันเดียวก็าต้สารระเบียบเหมอนกันโอสารระเบียบแต่โปรเซไว้โบจะไม่มีทางว่าถ้าส่งอ๋อมีมีตอนนันให้แล้วสิบล้านเราจะไม่รับเลยปิดล้านน้องเขาเอาเหรอยียังไม่เอาเฮ้ยเดม๋ยวนี้ียกเรีกมัดน้อยฉันโดแต่ไม่ใช่ระเบียบเขาต้องถืเขาต้องแจวต้อเป็นระเบียบโอ้เพาว่าสิทธิ์ญาบริวารอย่าลืนะรับคับค ปิธีญาปริบัติท่านดาอยู่สามเดือนไปปฏิบัติสมาธิปัญญ า, <บ>าถ้ า, <บ>ายังเอาดีไม่ได้ให้อยู่สามเดือนถ้ายังเอาดีไม่ได้อยู่สมเดือนในสามเดือนสามเดือนไม่ได้ห้ามหมดเลยอตอนนี้เราใช้วิธีรัดให้ถึงมโนยิธิที่ ส, โโ<บ>าสมาธิปัญญาสำคัญตรงนี้นะ <บา S 2> ถ้าได้มโนยิธิแล้วก็ย่อปฏิบัติเจ้าระเบียงของวัดได้ไปอยู่ได้ในใ น, นอน เออติณตังสมมติว่าเหมาให้หลวงพ่อเนี่สักคิดราคาสักเท่าไหร่สักบวกดิบติก็พอดูดีขนาด o ัานโดดนะสันโดดที่ยังไม่ถึงสิบบาทเลยผมบอกแล้วที่อย่างนี้ก็ไม่เลี่ยงหูงบประมาณก็ไปไม่ได้แน่ที่วัดนี้นะไปได้ไปได้แหละครับไปถึงยี o สิบราคาไม่แพงหรอกโอ้โอ้โหเขาวนำทางเลย ครับจริงจริงที่วัดถ้าวสูงก็ไม่ตาอยู่แล้วนะความตาเ ร, ระเบียบดีไม่ดีหลวงพ่ออาจจะออกให้ฟร้ใช่ออกฟืีได้ใจเช็คมา้ก่อนเพื่อค ว, วามมั่นใจในการบวชนี่นะใช่ๆเรียกว่าที่เล็กก็ไม่กระเด็ น, นันวัดเท่าเอานี่คนคนถามนี่มีมือเล็บเปล่าคนถามเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมนั่งทางในดูก่อน <c oughs> โอ้เลยมือแบบนี้ต้องผ่านแงแง ไม่รู้จะมีสาือเลาเวลาเมียเก่อนนะให้เมียอนุญาตนะถ้าเมียไม่อนุญาต้อชาสุขทอดโอ้โหนี่อย่ามาพูดทีนี่นะต่อไปผู้ายบวชยากเดี๋ยวเมียไม่ให้พี่พอาเมียไม่อนุญาตไปบวชไม่ได้เลยเลยสุขทอดบวดได้จะโอชาสุขอดจะมีเรื่องโอ้ถึก็ต้องปลอมลาเป็นเมียบุคคลอนุญาตพี่แล้วเขาไม่ยอมเอาลายเซ็นเขาตัวไปเลยโอ้ ลุงนี่ม่มีเมีย้วกคนดีบวชยากยากเราก็เมื่อเลิกมีเมียมีแต่ปัญญาสิที่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะาวอ้าวอ้วครับดีนะบวชวัดพระสุคุได้จะได้ประโยชน์มากหลวงพ่อจะอ่าบวชก็ดีเลยนี่บวชทีจะไปบวชละนะหลวงพ่อเจะา้าคือว่าลูกลูกบวชทีอยู่ที่วัดแทนึ่ง เพื่อมีความจเป็นในภาษาไตรมากสามเดือนอยู่ที่วัดไม่ได้จําไปจะต้องมาเฝ้าบ้านพราะมีหลานตัวเล็กๆอยู่แต่ว่าการเฝ้า บ, บ้านนี้พฝ้วัดปฏิบัติกรรมฐานลูกถอดแบบหลวงพ่อเปรียทุกประการแต่ไม่ทราบว่าจะมีพลายอานิสงส์เหมือนจับอยู่ที่วัดหรือเปล่าไม่มีอะไรยี่ล้วไม่ห้า่อยู่บ้านเขาได้เพราะที่อยู่บ้านได้ไดลปฏิบัติกรรมฐานนี่นเครื่องใช้กันมาเรื่อยๆมีพิธีมาทิพยายส่ตัวใช้ได้เลย ถ้าบทประเภทนี้มันกประเภทเท่านั้นทำไมถ้าผิดผิดจะนายกระพะครับมันต้องถ้าบทที่ว่าถ้าทรงต้องบทในเพลินใอาคอบคือบางคนนี่มีความจำเป็นอย่างก็รลดลาวาสอิร่นหรือไม่ได้ไม่ได้ต้องบทในเพลิอาคอบบางคนอยู่กุมแค่ไกลๆเท่านั้นพอจะไปยอะไรมาบอกมาโอ้ไปกระเพาเลยีโ อ๋อกลายไปกว้บวทีกุ้งยงั้นเหรอนี่นี่นี่เลยเซนแล้วนะยังมีอารมณ์จะมีอารมณ์อ้าวเฉยๆนะมัอยู่ดีนะอ๋อไม่อ่านไม่ทันเลยเดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปอ่านกรอนเอาเอาที่หลวงพ่อเจ้าขาอนีตหลสมาธิลูกอยากจะาบเรียนสามเกี่ยวเรื่องสมาธิเล็กน้อยคือว่าอย่างนี้เจ้า่า สมาธิของลูกนี้จะได้แค่ประมาณสองสามนาทีหลังจากนั้นไปอารมณ์จะฟุง้งแล้วก็ทุกวันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่สามารถจะแก้ได้ฉึงขอบลรมีหลวงพ่อช่วยแก้เพื่อการปฏิวัติของลูกให้เจริญรุ่งเรืองสื่สต่อไปด้วยเกิดเจ้าค่ะเอาแล้วสองนาทีพอแล้วสองนาทีเนี่ยเหรออย่าลืมนะวันละสองนา ท, นทีสิบวันเท่าไหร่พยี่สิบวันทียีเท่าไหร่โอ เ่าจะงีที่เหลือใช่ที่ที่ที่ส่งสมาธิส่งตัวจวันาปลาเรื่องสี่สีเพราะเปล่เปลากใจก็ออกให้ใจเข้าใจออกนับเป็นหนึ่งึสิบใช่ปาปาต้ใจคิดว่าถ้ายังไม่ถึงสิบสิบมันบอกว่านเริ่มต้นใหม่เอาให้ถึงสิบให้ได้อ่าที่สุดตานนี้นะเปล่เปก็รวมความว่าแม้สองนาทีสามนาทีก็ใช้ได้แล้วนะคุณใช้ได้อยู่แล้วอ่าเรียกว่าดีแล้ว เราเราพูดจะเจาสุดใจเรกระจายหมดทีกระจายโออสาดีหมดนะดูการสาดีหมดบุคคลใดจจิตให้ว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วณะจึงลาบสถาคุเขากล่าวว่าบุคคลนั้นมีจิตไม่ว่าจากฌานสองนาทีที่มันว่างจากกิเลสนะบได้ไได้ได้นะฮะสองสามนาทีจนาวิชายได้โอ้ไ่อ่านไ่ ลาภ้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกอ่านธรรมวีโมกเมื่อเดือนกระดะดาหน้าห้าสิบสี่โห่นี้อ้างหน้ามาเลยนะยังดีด้วยฉันใช้เลยอ่านเลยอ้าวหนังสือที่ออกจากวัดท่านไม่ได้อ่านเลยเหร อ, ม อ, อ, อาามไมไ่อ่า น, ม, าน ม, มือละอ่านขาดขาดแล้วก็แรหลวงพ่อโชคดีครับไปอ่านธรรมวีโมกเดยสระด ก, กะดาหน้าห้าสิบสี่ ว่าด้วยปฏิสัมพิทาสี่อะไรวิโมกแปดอภิญญาหกจึงสงสัยว่าวาิจึงสงสัยว่าคนที่จะอะไรบรรลุสามอย่างดังที่หลวงพ่อว่านั้นสมมติว่าจะทำบุญเอาในชาตินี้ลุ้นล้วนและอธิษฐานว่าเจ้าปะกูถ้ายันเป็นลาหนเมาาื่อไขอให้ได้ปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดอภิญญาหก อธิษฐานอย่างนี้จะมีความสาเร็จในภาตปัจจุบันได้หรือไม่เจ้าคะฉันสำเร็จ ส, สาเร็จนะครังพ่อฉันได้สาเร็จ อ, าาจอธิษฐานโ ห, โหลวงตูนท่าตายแล้วกว่าจะสมความปรารถนาจะไปทําทํำไมฉันก็ควรจะรู้ที่ที่ให้ดีแล้วชอบาอยากๆความจริงแท่ขึ้นปณิพนันได้นี่ก็ใช่แล้หรือแหลแล้วจุดเป็นจุดหมายปลายทางแล้ว อยากได้ไปเสวิษฐายาอยากได้ไปทำไมสงสัยจะเป็นไม่มีความหมายอะไรแค่นิพพานอะไรๆก็แค่นิพพานยันสุดสูงสุดเรียกว่าสบายที่สุดก็คือนิพพานใช่ใช่ใอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเอาแล้วไปเป็นอ้ไม่น่าจะมีคนฉลาดแบบนี้เลยครับขอขอโง่ต่อไปขอความโง่ถจนเจริญอ่าเหนื่อยเหนื่อยลูกเอ้ย หลวงพ่อจะถามลูกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเออในที่พระสอนว่าผู้ที่จะเป็นเทวดาได้ต้องประกอบด้วยหิริอดตภภ่ำฝ่าอายทั่วครัวบาศแล้วก็มาสงสัยตอนที่พญามาลาที่ลาดไปแกล้งพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการคนที่จะแกล้งได้นั้นตน้องมีอารมณ์โกรธอิจฉานิสยาพยาบาทไม่น่าจะเป็นเทวดาได้เลยเรื่องนี้ลูกสงสัยมานานแล้วขอความสว่างนนไม่ทเข้าใจผิด แม่ที่เขาสอนกันมานานแล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับใครสอนเาะสักพระยกทรงก็คอยสอนนะนแหม ส, ะะสารภาพมาเลยตัวนรกอย่นี่พแหมถ้อวยพรยังต่อหน้าต่อตาเลยเหรอเฮ <c oughs> ้ยขอรับอะไรเยอะเลยโอ้ครับโมตนาด้วยที่ให้พรต่อหน้านี่เรื่องนี้<ด>ตั ว, ตวเงพเวานนท่ามาลายนี่เนี่ยมาลาิลาดเนี่ยโอ้โหม้าลาธิลาดชื่อเดิมชื่อท่ามาลย ความจรยงท่านไมด้โกรธอะแล้วกันชี้แจงนไม่ได้โกรธแต่ความจริงหน้ามาเป็นเพื่อนกจกับพระเดจจ้าวพยายามมาลัทธิลาภใช่เป็นสมัยพุทธคุณเราเป็นเพื่อนกันอะแล้วกันต่อมาในเมื่อบรรลอิเสสมาธิโมทิยานแล้วใช่ไหมครับครับท่านคิดว่าในเมื่อพระเจ้ามรรลุอริเสถีสมาัิโมทิยานแล้วจะสอนคนปฏิพันธ์หมดเวลาที่ตัวเองบริพันธ์ไม่ได้เป็นพระเจ้าจะหารูกศิษไม่ได้ โม่เลาเต่าตนฟันเท้าจอบน่าหน่หน้าแล้วตัวหน้าแล้วระวังให้ดีมาแล้วเหรอครับาผมไม่พูดนะเขอื่นก็พูดนะอ้ยอย่างนี้ลแล้วอาไม่อาแล้วเหรอเขาจะพูดแ้มอ่ะลแล้วแล้วดี้อีตอนนั้นเราแหมกลัวก็กลัวจูกลัวจะไม่ได้เป็นราพตเจ้ากลจะไม่มีลูกศิอ๋อนี้มองไปโฮมามหรือแหลได้ไหวว้ยอะว้ ตกลรงเลยลาแล้วลาแล้วอ๋อทีนี้ก็ไม่เกรเรสิเป็นคนดีนะเอยู่ทีนี้ารช่วยนะเปีเลยนองฐานทีการช่วยนะท่านพยามารวิราช่ยใช่ใช่ายกเโอนีถ้หา ก, กว่าา